จเจริญพรโยมทั้งหลายหลวงพ่อมาเทศที่นี่ก็ยี่สิบกว่าครั้งแล้วนะไม่รู้จะเทศอะไรแล้วธรรมะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมาสอนมานิดเดียวอย่างหลวงปู่เทศท่า น, นก็บอกธรรมะมันของเกา่าเทศก็มีแต่เรื่องของเก่ากิเลสก็ของเก่า โลบกรธหลงเคยโลบกรดหลงมากี่ยุ ก, กี่สมัยมาเดี๋ยวนี้มันก็ยังโลบกรดหลงอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละกิเลก็ของเก่านะธรรมะก็ของเก่าอ่งั้นฟังก็จะฟังแต่เรื่องเก่าๆจริงๆธรรมะมีมากมายนะยากที่จะเรียนให้ทั่วถึงไม่มีสาวกองใดนะกระทั่งภาษารีบุตรเลยเนะี่ย ที่จะสามารถรู้ทั่วถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดความรู้ของพระพุทธเจ้ามีมากนะนิ่สาวกมีความรู้ไม่มากขนาดความรู้ที่ไม่มากนะมันก็อย่างมากอยู่ดีนะอย่างธรรมะที่เราต้องศึกษาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยธรรมะฝ่ายชั่วๆอกุศลกรรมบท10สบอย่างกว่าจะละได้หมดก็ไม่ใช่ง่าย ธรรมะฝ่ายดีๆนี่ก็อีกเยอะแยะเลยนะอย่างฝ่ายดีๆมีตั้งมากมายตั้งแต่หมวดที่หนึ่งสามสี่ห้าขึ้นไปจนหมวดเกิน10มีธรรมะดีๆที่ต้องปฏิบัติเยอะแยะเลยอย่างหมวดที่หนึ่งโยนิโสมานัสิกานีกว่าจะมีโยนิโสมานัสิกานะก็ต้องฟังธรรมะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนใจนะมันเข้าใจหลัก ที่ท่านสอนนะเวลาเราจะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันถึงจะแยบไขนะ่ธรรมะหมวดที่สองที่เราต้องเรียนนะอย่างเรื่องสมถะบวิปัสสนานะก็เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสาระเยอะแยะไปหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูพระภิกษุทั้งหลายทมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะกับวิปัสสนาเนะี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะมีเนื้อหามากมาย ท้งหมดที่สามนะที่ต้องเรียนยกตัวอย่างนะหมวดที่สามอย่างเรื่องไตรสิกขาเรื่องศีลสิกขาเรื่องจิตสิกขาเรื่องปัญญาสิกขาเรียนว่าทํายังไงจะมีศีลทํางไงจะมีจิตที่ตั้งมั่นพร้อมที่จะเจริญปัญญาต้องเรียนวิธีที่จะเจริญปัญญาหมวดที่สี่ก็มีธรรมะที่ต้องศึกษานะเช่นเรื่องจิตในอริยสัจสี่ ทำยังไงจะรู้ทุกทำยังไงจะละสมุทยัยจะแจ้งนิโรธจะเจริญมัจในหมวดที่ห้าอย่างทำยังไงจะมีพระห้ามีอินสี่ห้านะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่และเรื่องแต่และเรื่องต้องเรียนเยอะแยะไปหมดเลยในหมวดที่หกนะเช่นเรื่องอินสี์สังวรหกทำยังไงเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยเราจะสามารถ มีสังวรคือว่าถ้าจิตยินดีขึ้นมารู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันจิตก็จะไม่กระเพื่อมบันไหวยินดียินร้ายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสประภะธรรมรมที่มากระทบอย่างในหมวดที่เจ็ดยกตัวอย่างนะหมวดที่เจ็ดหนึ่งเรื่องโพชชงเจ็ดใช่ไหมกว่าโพชชงเจ็ดจะบริบูรณ์ก็เยอะแยะเลยในเรื่องมร์แปดใช่ไหมององมร์มีองค์แปด กว่าองค์มากทั้ง8จะประชุมกันขึ้นมาได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะในเรื่องหมวดที่9เรื่องโลกุตตะละธรรม9อย่างมีมรรคสี่ผล4นิพพานหนึ่งนี่กว่าจะแจ้งนะก็ฝึกกันแทบเป็นแทบตายหมวด10อย่างทศบารมีจะทำไงจะสร้างบารมีให้เต็มในแมทธรมานะมีเรื่องที่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องปฏิบัติมากมายมากจนกระทั่งแค่ได้ยินก็ท้อแท้ใจละ หลวงพ่อก็เผยทอแท้ใจะคราวหนึ่งไปหาหลวงปู่ดูลท่านเทศให้ฟังเทศเทศเทศจนเรานะ่ทอแท้ใจมากเลยท่านเทศตั้งแต่ว่าจั ก, กรวาลเนี่ยเกิดมาได้ยังไงนี่เกินสิบหมวดที่หลวงพ่อว่าอีกนะจั ก, กรวาลเกิดขึ้นมาได้งไงนะจิตมันเกิดมาได้ยังไงนะจนกระทั่งเถึงนิพพานนิพพานยังไงสอนเยอะแยะไปหมดน่ะฟังเราทอแท้ใจ สุดสุดท้ายนะถามท่านซื่อๆเลยที่หลวงปู่สอนมาทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวพอไหมท่านบอกว่าธรรมะ 84% ดหมพันพระธรรมขั น, นออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนี่จิตของเราเนี่ยไม่เฉลียวฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าเรารู้ไม่ถึง 84% ดหมพันพระธรรมขันหรอกแต่ว่ามันก็รู้พอที่จะผนทุกได ให้เราเรียนรู้ลงมาในจิตในใจของเรานี่มีสตินั่นเองมีสติเป็นเครื่องมือถ้าเรามีสติอย่างเดียวนะคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยนะธรรมะฝ่ายที่ดีๆทั้งหลายจะเกิดขึ้นเองธรรมะฝ่ายชั่วๆทั้งหลายจะถูกละไปเองนะงั้นอากูสนจะถูกละไปเมื่อเรามีสติอากุศลอากุศลจะเจริญนะตัวกุศลจะเจริญนะเมื่อเรามีสติ มันจะเป็นเองจิตมันก็จะผ่องแพ้วมากขึ้นมากขึ้นจิตนั้นโดยตัวของมันเองนะมันผ่องใสแต่ว่าไม่ผ่องแพ้วจริงหรอกมันผ่องใสแต่โง่อาศัยการเจริญสติมากเข้ามากเข้านะจิตมันฉลาดขึ้นมันผ่องแพ้วผ่องแพ้วจากอะไรผ่องแพ้วจากกิเลสมันสมบูรณ์ด้วยกุศลกิเลส ท, ที่ว่ามีเยอะแยะนะย่อๆลงมาก็มี โลภะโทสะโมหะกุศลที่ว่ามีมากนะย่อลงมาก็คืออโลภะอโทสะอโมหะอโมหะก็คือตัวปัญญานั่นเองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีสตินะมีสติขึ้นมาก็ละอกุศลมีสติขึ้นมาก็เจริญกุศลมีสติขึ้นมานะจิตก็ผ่องแผ้วเพราะฉะนั้นความมีสติเนี่ยสคัญมาก หลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะบางคนก็เข้าใจผิดนะบอกว่าถ้าเข้าห้องน้ําแล้วห้ามปฏิบัติธรรมเพราะจะบาปนะอันนี้พูดเอาเองเข้าห้องน้ําก็ต้องปฏิบัตินะหลวงพ่อเคยเจอนักปฏิบัติคนหนึ่งปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนนอนเลยนะเข้าห้องน้ําแกก็ดูของแกไปเรนะื่อยเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะบ้างเนี่ยวันนี้จิตมีราคะดูเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะ วันนี้จิตมีกำลังแล้วดูร่างกายเป็นาธาตุเป็นขันธ์เห็นาธาตุไหลเข้ า, าธาตุไหลออกอะไรอย่างเงี้นะเขาดูของเขาอยู่อย่างเนี้ยงั้นไม่ใช่ว่าเข้าห้องน้ำก็ห้ามปฏิบัติสตินั้นน่ยต้องเจริญไว้ตลอดเวลาเท่าที่ทำได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเมื่อไร่ขาดสติเมื่อ น, นั้นอกุศลจะเข้ามาแทนอกุศลกล้ำงำจิตเมื่อไร่ความทุกข์มันจะตามมาเพราะฉนั้นให้พยายามมีสติไว้นะมีสติ พอมีสติไปอากุศลดับกุศลเจริญจิตใจจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นกุศลนะเป็นความฉลาดกุศลมีความสุขนะเป็นผลของมันนะค่อยฝึกค่อยฝึกไปเรื่อไม่มีอะไรมากนะธรรมะจริงๆมีเท่านี้แหละไม่รู้จะคุยอะไรให้ฟังละยิ่งนานวันยิ่งสั้นลงเรื่อยๆเมื่อก่อนลงพ่ไม่เข้าใจนะไปหาครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนะียเข้าไปหาแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ท่านพูดนิดเดียวยิ่งแก่ยิ่งสั้นลงเรื่อยๆอย่างหลวงปูด่ดูลนะตอนหลังๆเข้าไปหาท่านก็สอนใครมาถามธรรมะท่านบอกดูจิตจิตอย่าส่งจิตออกนอกอะไรเงี้ยคํำสองคำไปหาหลวงปู่เทศท่านก็สอนจิตอย่างใดใจอย่างนั้นจิตอันใดใจอันนั้น จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะสอนอยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นจิตเดี๋ยวก็เป็นใจให้รู้ทันไปถ้ารู้ไม่ทันนะมันก็เป็นจิตที่มันปรุงแต่งถ้ารู้ทันแล้วมันมาเป็นใจไม่ปรุงแต่งเป็นธาตุรู้ที่สะอาดขึ้นมาอีกองหนึ่งที่เคยเจอหลวงปู่ทาหลวงปู่ทาก็มีแต่สอนอะไรนะรักษาจิตรักษาจิตสอนอยู่แค่นี้สั้นจุดจุ งนจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยถ้าเข้าใจแก่น้เนี่ยจะเหลือไม่มากธรรมะที่พูดได้มากๆเนี่ยเป็นธรรมะที่แวดล้อมเนีเป็นบริบทเป็นอะไรแวดล้อมบริวารแก่นของธรรมะจริงๆมีไม่มากหรอกหัวใจของธรรมะจริงๆมีไม่มากมีสติขึ้นมานะมีสติรู้สึกตัวไว้อย่าลืมตัวพอมีสติแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไป นะถ้ามีสติแล้วไปรู้ความว่างอยู่เฉยๆเนี่ยใช้ไม่ได้หลายคนไปหัดดูจิตดูใจพอดูไปช่วงหนึ่งใจมันจะว่างๆพอใจว่างแล้วก็พอใจไปอยู่ในความว่างนะเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นอะไรก็คอยคิดแต่ว่ามันเป็นความว่างน้อมใจเข้าหาความว่างเห็นโลกธาตุนี่ก็ว่างน้อมใจไปหาความว่างนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนให้รู้กายให้รู้ใจไปดูสติปัฏฐาน นะมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานให้รู้กายหนึ่งเนืองเวทนานุปัสสนารู้เวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆหนึ่งเนืองจิตานุปัสสนารู้จิตที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างหนึ่งเนืองธรรมานุปัสสนาเะรู้สภาวธรรมหนึ่งเนืองทั้งรู ป, ปาาธรรมนามธรรมหนึ่งเนืองท่านไม่เคยสอนสุญญ า, านุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเรามีสติขึ้นมารู้รู้ตัวขึ้นมาแล้วต้องรู้กายต้องรู้ใจ ถ้าไปรู้อย่างอื่นใช้ไม่ได้นะหลวงพ่อเคยศึกษากับท่านอาจารย์มหาบัวอาจารย์มหาบัวเคยสอนคราวนั้นเคยเขียนจดหมายไปถามท่านสมัยท่านหนุมหน่มๆกว่านี้นะท่านก็ตอบมาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องสงสัยอะไรมากหรอกการปฏิบัติมีนิดเดียวมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันเนี่ยสอนเท่านี้เองเพราะงั้นมีสตินะแล้วก็รู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไปครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาแค่นี้แหละ นะธรรมะทั้งหลายเราก็มาดูกายดูใจของเราแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเองถอดถอนกิเลสของมันเป็นลำดับลาดับไปตามสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจากการรู้กายรู้ใจนั่นเองมันเป็นไปเองนะการถอดถอนกิเลสเราไม่มีหน้าที่ต้องถอดถอนกิเลสจิตมันถอดถอนกิเลสของมันเองเมื่อมันมีสติปัญญาแก่กล้าพอจิตมันก็ปรุงกิเลสของมันเองเพราะมันขาดสติขาดปัญญา นี่เรามีหน้าที่นะฝึกสติไปเรื่อยจนจิตมีสติอัตโนมัติอยู่เนืองเนืองนะสติหมุนจี๋จีขึ้นมาทั้งวันทั้งวันเลยจิตหมุนไปทางตาสติก็รู้ทันจิตหมุนไปทางหูสติก็รู้ทันจิตหมุนไปในโลกของความคิดสติก็รู้ทันมิตรู้ทนรู้ทันลงไปเรื่อยมันจะถอดถอนจิตออกจากกองทุกข์คือตัวอารมณ์ทั้งหลายถ้ารู้ไม่ทันจิตจะไปติดอารมณ์ถ้ารู้ทันจิตก็วางอารมณ์จิตก็เป็นตัวของตัวเองขึ้นมา ค่อยเรียนนะค่อยฝึกไปไม่มีอะไรมากหรอกมีสติขึ้นมาแล้วก็รู้กายรู้ใจกายกับใจนั้นก็ต้องปัจจุบันด้วยนะไม่ใช่กายกับใจในอดีตหรือกายกับใจในอนาคตต้องดูกายกับใจในปัจจุบันทำไมล่ะเราต้องดูของจริงกายกับใจในอดีตไม่มีจริงแล้วกายกับใจในอนาคตก็ยังไม่มีอดีตก็จบไปหมดแล้วอนาคตก็มาไม่ถึงให้รู้อยู่ในปัจจุบันมีสติอยู่กับปัจจุบันนะ ไม่งอนแง่นไม่กลอนแกลนหลงไปอดีตไปอนาคตพยายามรู้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบันถ้าเราสามารถรู้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบันได้แม้แต่คืนเดียวหรือวันเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ชมลนะท่านบอกว่าผู้มีสตินะรู้กายรู้ใจอยู่เนี่ยมีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวก็พึงชมทำไมท่านไม่บอกมีชีวิตกลางวันก็ไม่รู้นะท่านบอกมีกลางคืนมีชีวิตราตรี กลางคืนนักปฏิบัติไม่ค่อยนอนมั้งนะคนบริโภคการรมมันต้องนอนเยอะนักปฏิบัติก็นอนนิดเดียวนอนไม่กี่ชั่วโมงเราจิตมันจะตื่นขึ้นมาแต่บางทีร่างกายไม่ตื่นนะจิตมันตื่นจิตมันตื่นเพื่อนมันก็ภาวนาขงมันต่อไปเนี่ยเรามีสติมากเข้ามากเข้าแล้วกุศลทั้งหลายจะเจริญขึ้นเองศีลก็จะเกิดขึ้นศีลมันขาดศีลขึ้นไปเพราะว่าขาดสตินะอย่างเราจะพูดเพอเจอร์เนี่ย พูเพ้อเจอได้เพราะขาดสติใช่ไหมจะไปก่อกรรมทําชั่วได้เนยเพราะขาดสติถ้าไม่ขาดสติมันจะเกิดทีรีโอตัปปะขึ้นมาทํากรรมชั่วไม่ได้หรอกทั้งละอายทั้งกลัวบาปนะละอายที่จะทําชั่วเกรงกลัวผลของการทําชั่วนะไม่เป็นเองเพั้นมันจะไม่ผิดศีลนะถ้ามีสติขึ้นมาใจก็จะตั้งมั่นเพราะว่ากิเลสนิวร์ทั้งหลายมันดับไปพอมีสติปุ๊บนิวร์ดับทันทีที่นิวร์ดับจิตจะสงบเองนะ ดัง้นตรงที่จิตสงบเนี่ยมีหลายแบบนะทำได้หลายแบบอันหนึ่งน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวจนแน่วแน่นะทําฌานขึ้นมาแล้วก็ขมนิวร์ลงไปอีกอย่างหนึ่งใช้ปัญญานี่แหละใช้สติใช้ปัญญารู้ทันกิเลสนิวร์ใดๆเกิดขึ้นในจิตในใจเรารู้ทันนะกิเลสนิวรนทั้งหลายดับไปเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองนะนี่มีสติขึ้นมานะเราตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยๆก็จะเกิดปัญญา เห็นความจริงเบื้องต้นจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้ก่อนเมื่อวันใดเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะก็เป็นทรงภูมิธรรมของพระโสดาบันตามรู้กายตามรู้ใจต่อไปอีกนะจนวันหนึ่งแจ่มแจ้งว่านะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆคราวนี้จะหมดกามและปฏิฆะเป็นพระนาคามีตามรู้ตามดูจิตใจต่อไปคราวนี้นจะเป็นเรื่องการดูจิตล้วนๆแล้วนนะนะ การปฏิบัติส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ที่จิตแะ้วเพราะกายเนี่ยจิตรู้แจ่มแจ้งแล้วจิตเนี่ยจะไม่สนใจที่จะดูกายเท่าไหร่แล้ะมันรู้แจ้งไปแล้ะอะไรที่รู้แจ้งแล้วมันก็ไม่สนใจใช่ไหมอะไรที่ยังไม่รู้แจ้งยังลึกลับอยู่เนี่ยก็สนใจอย่างเราเจอสาวคนหนึ่งใช่ไหมมันดูแปลกๆนะมันก็สนใจใช่ไหมถ้ารู้จักแจมแจ้งแล้วก็งั้นๆไม่สนใจนี่จิตนี้ก็เหมือนกันพอมันรู้อะไรแจมแจ้งแล้วมันก็วางไม่สนใจะ รู้กายแจ้งแล้วก็วางไป่อไปรู้จิตแจมแจ้ ง, งก็วางก็วางตรงที่ปล่อยวางจิตเนี่ยนจะเข้าถึงธรรมะอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะเข้าถึงนิพพานเพราะมันพ้นจากรูปจากนามก็ไปเห็นนิพพานนิพพานไม่ใช่ไม่มีอยู่นิพพานไม่ใช่ว่างเปล่านิพพานเป็นความว่างจริงนะแต่ไม่ใช่ว่างเปล่านิพพานเป็นความว่างจากความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขา ว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากความทุกข์ว่างจากความปรุงแต่งแต่ไม่ใช่ว่างเปล่านิพานมีอยู่เป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งมีอยู่ครอบโลกครอบจักรวาล น, นิพานไม่เกิดนิพานไม่ดับว่านิพานไม่เคยหายไปไหนนิพานไม่มีที่ตั้งพรานิพานเต็มโลกธาตุวันใดใจที่พ้นจากความปรุงแต่งใจใหญ่ใจเต็มโลกธาตุก็จะเห็นธรรมะคือนิพานที่เต็มโลกธาตุ เรียกว่ามันเสมอกันนิพพานก็เป so ็นหนึ Ma ่งะเป็นธรรมที่เป็นหนึ่งจิตซึ่งไปรู้นิพพานก็เรียกว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่งหลวงปู่ดุลเรียกว่าจิตหนึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจหลวงปู่บุตรดาท่านเรียกว่าจิตเดียวหลายสำนวนนะจริงๆในภาษาทางอภิธรรมก็จะเรียกว่ามหากิริยาจิตเป็นจิตซึ่งไม่มีอะไรปรุงแต่งนะ ก็จ ะ, จะไปเห็นธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งเห็นนิพพานเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสงสัยนะเวลาอ่านพุทธประวัติบอกตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยแล้วท่านพิจารณาว่าท่านจะเอาอะไรเป็นสารณะพระพุทธเจ้ายังมีสารณะเลยนะอย่างพวกเรามีไตราสารคมมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้ามีใครเป็นที่พึ่งท่านบอกท่านมีธรรมะเป็นที่พึ่งแต่เดิมไม่เข้าใจเอาธรรมะเป็นที่พึ่งจะเอาเป็นยังไง วัตธรรมะมีตั้งเยอะแยะใช่หไหมไม่รู้จะเอามาเป็นที่พึ่งได้ยังไงถ้าต่อเมื่อท่านไปเห็นสภาวะธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งแล้วท่านจะรู้เลยที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนี้เองเนี่ยท่านเข้ามาถึงที่สุดแห่งทุกข์ตรงนี้แล้วธรรมะที่พ้นจากความทุกข์พ้นจากความปรุงแต่งนี่ถ้าเป็นที่พึ่งส่วนธาตุขันนั้นเป็นของโลกท่านก็ทิ้งมันไปตราบใดที่ยังมีธาตุมีขันอยู่ก็ เ, เอามันมาทําประโยชน์เที่ยว อ, อบรมสั่งสอน ผู้คนพระเนนเถนชีนะสอนไปหมดสอนเทวดาสอนมนุษย์หมดธาตุหมดขันนะท่านก็ทิ้งธาตุทิ้งขันไปนค่อยพวกเราต้องศึกษานะค่อยๆเรียนเนียนี้ใสหลวงพ่อนะเทศต้องเทศตั้งแต่ต้นจนจบก็้หลวงปู่ดวนท่านเคยสอนไว้นะท่านบอกเวลาฟังธรรมะเนี่ยมันจะได้ประโยชน์สมบูรณ์เต็มที่นะต้องถึงพร้อมปริยัติปฏิบัติปฏิเวท ต, ต้องให้พร้อม ท่านไม่ได้ว่าปริยัติไม่ดีหรือต้องเอาปฏิบัติอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ได้สอนบอกว่าห้ามพูดเรื่องปฏิเวทไม่ใช่เนะฉนั้นธรรมะเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนามาท่านสอนหลวงพ่อมานะีมันทําให้เรานึกถึงคําในพระไตรปิฎกนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดงามจริงๆนะ งามในเบื้องต้นเนี่ยมีเหตุมีผลว่าเราจะปฏิบัติอย่างไงงามในท่ามกลางนะสอนการปฏิบัติกัเรางามในที่สุดเนี่ยแจกแจงสภาวะซึ่งเราปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยแจกแจงสภาวะออกมานะชี้แจงธรรมะที่ประณีตพ้นจากโลกจากสงสารให้เราดูได้ฉั้นธรรมะของท่านงามจริงๆไม่มีอะไรที่คลุมเครือเลยตั้งแต่ต้นจนจบ เนั้นถ้าเรายัางรู้สึกธรรมะเป็นของคลุมเครือนะเพราะว่าจิตของเรายัางไม่ไม่สมควรแก่ธรรมะเองนะแต่ถ้าจิตของเราสมควรแก่ธรรมะเราจะพบว่าธรรมะไม่ใช่ของคลุมเครือลนะธรรมะไม่ใช่นามมา ร, รมที่จับต้องไม่ได้นะธรรมะเป็นสิ่งซึ่งจับต้องได้สัมผัสได้แตะต้องได้เข้าถึงได้ได้รับประโยชน์จากธรรมะได้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 ตัดจากนั้นเราต้องลงมือปฏิบัติเรียนแต่ปริยัติอย่างเดียวไม่พอนะฟังครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่พอบางคนเปิดซีดีหลวงพ่อทั้งวันทั้งคืนนะตื่นขึ้นมาก็ฟังไปหลับไปก็แล้วไปนะสว่างแนละ้วตื่นก็ยังได้ยินเสียงหลวงพ่ออีกจนกระทั่งหูหลอนนะไปทําอะไรก็มีเสียงหลวงพอ่อคอยบอกไปเรื่อยๆในนั้นก็มากไปหน่อยแล้วนะเอาเวลามาดูจิตดูใจตัวเองให้เยอะๆไว้ นะฟังพอให้รู้วิธีปฏิบัตนะิแล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาคอยรู้จิตใจของตัวเองไปพอติดขัดมีเรื่องสงสัยนะก็ไปเปิดซีดีหลวงพ่อฟังแผ่นไหนก็ได้นะไปสุม่มดูเถอมีคําตอบทุกแผน่นแะหละเราไปฟังฟังนะเสร็จแล้วเราก็จะปฏิบัติของเราไปได้วันหนึ่งเราจะได้ลิ้มรสของธรรมะรสของธรรมะอร่อยรสของธรรมะนะวิเศษกว่ารสทั้งปวงในโลกเลย เพราะว่าเป็นรถอย่างอื่นเนี่ยบริโภคซ้ำซากก็จะเบื่อใช่รถของธรรมะนะยิ่งทราบซึ้งถึงอกถึงใจมีความสุขที่สุดเลยมันพวกเราอดทนนะอดนทนพากเพียรก็อดทนเริ่มตั้งแต่อดทนฟังนะพอฟังรู้เรื่องรู้วิธีแล้วว่าเราจะต้องเจริญสติรู้กายรู้ใจไม่เผลอลืมกายลืมใจไม่เพ่งกายเพ่งใจให้หยุดนิ่งปล่อยให้กายให้ใจมันทางานไปแล้วเรามีสติตามดูมันไปเรื่อย นี่วิธีปฏิบัติพอรู้แล้วเราก็ตามดูไปด้วยนะตอนไหนจิตใจฟุ้งซ่านมากไปดูกายดูใจไม่ออกก็ทําความสงบเข้ามาพอจิตใจสงบแล้วนะกรรมฐานที่ทําจิตให้สงบมีเยอะแยะอะไรก็ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมนะคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงอะไรดีๆนะคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายของเราเองอนะไรนี้คิดถึงความตายเนละสิ่งเหล่านี้ทําให้จิตใจสงบทั้งนั้น จิตใจเรามีกำลังมีความสงบมีความสบายแล้วนะมันก็มารู้สึกกายมารู้สึกใจต่อร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆพอเรารู้สึกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะต่อไปเราจะเห็นความจริงที่แรกต้องรู้กายรู้ใจก่อนพอรู้กายรู้ใจไปนานๆก็จะเห็นความจริงของกายของใจตรงที่มีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยถือว่าดีนะมีสติและรู้กายรู้ใจแต่ยังไม่มีปัญญา ตรงที่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ถึงจะเรียกว่ามีปัญญาพอมีปัญญาเห็นความจริงนะจิตจะค่อยลดละกิเลสเป็นลําดับลําดับไปเนะพราะภาคเพียรเอานะที่เหลือก็คือพวกเราต้องช่วยตัวเองละหลวงพ่อก็ช่วยไม่ไหวแล้วนะขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางหลวงพ่อจะเป็นแค่อะไรละ่ะหลวงพ่อก็จําทางมาบอกพนะระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้บอกทางหลวง พ้อเป็นผู้จำทางมาบอกนะพวกเราก็มีหน้าที่เดินทางเส้นทางสายนี้ยังมีคนเดินอยู่ยังไม่ขาดสายนะยังไม่ขาดระยะต้องรีบเดินถ้ามันขาดช่วงเมื่อไหร่เนี่ยจะหาเส้นทางนี้อีกเนี่ยยากแสนยากนานนักหนากว่าจะมีผู้รู้เส้นทางนี้ขึ้นมากว่าพระพุทธเจ้าจะค้นพบเส้นทางนี้มีโอกาสแล้ว ร, รู้รู้เส้นทางแล้วต้องรีบเดิน พระพุทธเจ้าเดินนําหายไปก่อนแล้วนะครูบาอาจารย์เดินตามหลังมายัางเห็นรอยเท้าอยู่นานไปรอยเท้านี้จะหายไปดังนั้นเราต้องรีบเดินตามก่อนที่รอยเท้าของท่านจะหายไปหมดไม่มีอะไรมากนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วคอยรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจอย่าไปกาหนดจดจ้องที่กาหนดกาหนดนะั้นะมันไม่ใช่นะเป็นสมถะกำหนดแปลว่านะกฎกาหนดภาษาเขมนนะ มาจากคำว่ากดนั่นเองกดไว้ข่มไว้ให้เรารู้ไม่ใช่ให้เราบังคับรู้ไปเรื่อยจนเห็นความจริงเห็นความจริงแล้วก็หลุดพ้นไปพระพุทธเจ้าจบอกไว้เพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพระเบื่อหน่ายจึงใคร่กำหนัดเพราะใคร่กำหนัดจึงหลุดพ้นเพราหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพลล้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกงานนี้เสร็จ จบแล้วนี่เสร็จแล้วนี่นะก็หมดแค่นี้แหลนะที่เหลือไปทำเอาเองโอ้ย <laughs> เทศแทบตายได้สิบห้านาที <laughs> <laughs> มาสาราลุงชิ้นนี่นะไม่ได้เกินสิบห้านาทีเลยนะเพราะว่าโยมเยอะมันเหมือนนักเรียนหลายชั้นมาอยู่ในห้องเดียวกันวันไหนหลวงพ่อเทศยากเกินไปนะพวกที่เพิ่งเริ่มเรียนจะรู้สึกว่าหน้าเบื่อหน่าย ก็ปล่อยพลังของความเบื่อออกมานะว่นไหนเทศง่ายเกินไปนะพวกที่รู้เรื่องแล้วก็เบื่อนะปล่อยพลังของความเบื่อออกมานะเพราะฉะนั้นเทศได้ไม่นานนะต้องเทศก่อนที่จะเบื่อนะแล้วก็ความอดทนที่จะฟังของพวกเราเนี้ยมีไม่เกิน20สิบนาทีหรอกนะอันนี้เป็นมานานแล้วหลวงพ่อสังเกตเห็นแต่ก่อนลลหลวงปู่เหรียนมาเทศนะเทศนั่งตรงเนี้ยตรงที่ท่านอาจารย์มหาประจวบนั่งเนะี้ยเทศเทศยี่สิบนาทีจบ ยี่สิบนาทีอา้าวเชิญใครจะคุยเชิญสังเกตใจไหมใจเลิกลักเลก ๆ, ๆไปทั้งห้องแล้วรู้สึกไหมดูของเราเองนะหลวงพ่อพาดูทีละคนไม่ไหวค่อยๆสังเกตของเราสังเกตไหมตอนนี้ใจไหลไหลหลหลเริ่มไหลแบบเนียนเนียนมากขึ้นไม่กระโชกโขกห้างแบบเ<ก>มื่อกี้กรู้สึกไหมไ<ป>ส่วนใหญ่ใจเริ่มเคลื่อนแบบเนียนเนียนคอยรู้ทันไปนะ อาบเชิญกับนักสการ์คารองพ่อคือขณะที่ฟังเทศนะคะจะเห็นนะ่ยความรู้ไปรู้สิ่งที่ถูกรู้อย่างเช่นจะเห็นความรู้ไปรู้ว่าไปรู้ว่าเสียงหลวงพ่อกําลังเทศเนะะี่ยค่ะแล้วทีนี้ความรู้กับกับเสียงนะ่ยมันหายไปแต่แต่ความเห็นนะี่ยมันยังชัดอยู่นะคะแแล้ ว, แ ล, วแล้วมันก็เห็นเป็นปัจจุบันนะคะ แต่แต่ความรู้เนี่ยมันมันมันก็จะแบบเปลี่ยนสถานีไปเรื่อยๆคือมันไปรู้อะไรที่มากระทบสัมผัสนะคะแต่แต่ความเห็นเนี่ยมันมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจึงรู้ว่ามันเป็นคุระส่วนกันจริงๆนะคะอืมแต่อย่าให้มันเที่ยงนะอย่าให้มีตัวหนึ่งคงที่อยู่ตลอดวันตลอดคืนค่ะค่ะแต่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแต่แต่แต่ความเห็นเนี่ยมันมันจะชัดชัดเป็นตัวที่ซ้อนหลังสุดนะคะอืมเหมือนกับว่าตันนั้นต้องระวัง ถ้าเราไปเพ่งใส่ตัวนั้นเมื่อไหร่จะติดสมถะชนิดที่ลึกซึ้งมากเลยแก้ยากใจมันจะนิ่งๆทั้งวันทั้งคืนเลยนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหมดแต่มีตัวหนึ่งนิ่งคงที่อยู่ะต้องระวังอันนั้นอย่าไปจับมันไหมค่ะค่ะปล่อยมันค่ะคือคือคือจะเห็นว่าตัวที่เห็นนมีแต่มันเปลี่ยนแปลงช้าแปรปวนช้ากับตัวรู้ที่ไปรู้ตัวเห็นนะคะจริงๆมันก็เกิดดับไปพร้อมๆ<ช>กับอารมณ์นะค่ะ แต่สติเราเกิดบ่อยเราก็เลยรู้สึกตัวนี้มันทรงอยู่นานๆค่ะแต่แต่มันก็เกิดดับเหมือนกันเออต้องดูให้เกิดดับคือดูทุกสิ่งทุกอย่างท่านเคยสอนนะบอกว่าถ้าผู้ใดเห็นว่าผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิค่ะคือดูทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงนะคะให้ให้ดูเป็นปัจจุบันแล้วทีนี้อเราเราก็จะรู้ว่า ขันห้าเป็นทุกข์ถ้าไปร่วมไปร่วมกับขันห้าที่เป็นทุกข์อย่างยกตัวอย่างนะคะเอสังขารมันพุ่งขึ้นมาบอกว่าเนี่ยอยากจะงานนะค่ะทีนี้มันมันขาดไปเลยนะคะเพราะว่าจิตจิตขณะนี้เป็นไงจิตขณะนี้แหละเออจิตขณะนี้นายบอกให้หลวงพ่อชื่นใจซิจิตขณะนี้เป็นยังไงมันมันมันไม่เที่ยงนะมันยังแก่งๆอยู่เนะยค่ะมันคือ ทุกตัวแข่งไหมหรือมีตัวที่ไม่แข่งอยู่ด้วยมีตัวที่ไม่แกข่งอยู่ด้วยนั่นแหละตัวปัญหาตัวทนะี่ไม่แข่งอ่ะตัวปัญหาอ๋อแสดงว่าต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงหมดเลยเราไปประคองความรู้สึกตัวไว้ถ้าเราประคองความรู้สึกตัวไว้มันเหมือนเรารู้เราเห็นอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหมทั้งๆ ท, ที่ประคองอยู่มันก็หนีไปคิดได้ค่นะค่ะค่ะแต่ว่ารู้สึกหรือยังว่าประคองอยู่ตลอดเลย ไม่ไม่ค่อยชัดเออเอาจะเห็นตัวหนึ่งที่นิ่งอยู่ค่ะนั่นแหละตัวนั้นแหละเป็นผลจากการที่เราไปประคองเอาไว้นะไปดูตัวนี้นะดูให้รู้ทันแล้วปล่อยมันซะค่ะแสดงว่าตัวที่ตัวที่ว่างที่นิ่งนี่มันมั น, มนไม่ใช่ของจริงมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเหมือนกันใช่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกันอ๋อมันมันหลอกมั น, มนหลอกไว้ไม่คือความวปรุงแต่งนั่นแหละค่ะอะไปต่อไปมีไหมหมดแล้วเหรอจะได้กลับ กรรมนัตกาหลวงพ่อค่ ะ, ะหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาค่ะแล้วก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะจะมาขอการบ้านหลวงพ่อค่ะือขอแล้วทำไหมทําค่ะบางคนขอแล้วก็ไม่ทําการบ้านนะหลวงพ่อก็บอกไปให้แล้วนะเมื่อตอนเช้าเมื่อกี้เนี้ยใครรู้สึกตัวไว้ค่ะถ้าเราพูดว่าให้รู้สึกตัวเนี้ยฟังบางทีเข้าใจยากสําหรับคนซึ่งอย่างรู้สึกตัวไม่เป็นรู้จักเผลอไหมรูจ้จักเออ เผลอเนี่ย <l ough> ถ้าเมื่อไหร่เราเผลอไปเราใจลอยไปแล้วเราเกิดไปรู้ทันนะว่ากําลังเผลออยู่เราจะตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาแต่รู้สึกได้ทีเรแว บ, บเดียวสั้นๆเดี๋ยวก็จะเผลอพลั้งใหม่พอเผลอไปอีกหนีไปคิดอีกเราก็รู้สึกตัวอีกเราก็จะตื่นขึ้นมาอีกงั้นต่อไปนี้จิตแอบไปคิดจิตเผลอไปคิดเมื่อไหร่นะให้รู้บ่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ห้ามไม่ให้จิตเผลอไปคิดจิตจะหนีไปคิดก็ไม่ว่านะแต่ว่าคอยรู้ไว้ ตอนนี้อยากพูดทราบไหมทราบค่ะเนี่ยหัดทราบอย่างเนี้คือจะถามว่าความคิดกับจิตคิดนี่มันตัวเดียวกันหรือเปล่าคะความคิดเหรอความคิดมันเป็นเนื้อหาสาระที่คิดแล้เป็นสมมุติบัญญัติอาการที่จิตคิดเนี่ยเป็นอารมณ์ปรมัติตเป็นการทํางานของจิตที่เราเห็นได้ให้เรารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดไม่ใช่ไปรู้เรื่องที่คิดนะอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหม ให้รู้ว่าจิตหนีไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดถ้ารู้ว่าจิตหนีไปคิดเมื่อไหร่นะเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเพราะว่าตอนที่จิตหนีไปคิดนัเหมือนเหมือนฝันไปจิตมันฝันไปแล้วแต่ตอนที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้ทันว่าจิตไปคิดเราจะตื่นขึ้นมาเรียกว่าตื่นใจเราตื่นคนทั่วๆทั่วทไปทั้งโลกเนี่ยมันตื่นแต่ร่างกายจิตใจไม่เคยตื่นหรอกอาศัยได้ฟังธรรมไปจนเกิดสตินะ รู้ทันสภาวะธรรมเช่นจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตโลภขึ้นมารู้ทันจิตโกรธขึ้นมารู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตหดหู่รู้ทันจิตเป็นสุขเป็นทุกข์รู้ทันน่ะนี่หัดรู้ทันสภาวะไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะตื่นขึ้นมามันจะมีสตินะตื่นเราก็หัดรู้ไปเรื่อยเราก็จะเห็นเลยสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ช่วคราวแล้วก็ดับไปความโลภอยู่ช่วคราวแล้วก็ดับความโกรธอยู่ช่วคราวดับความหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับอะไรอะไรเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้น ให้เราตามดูสภาวะทั้งหลายเนี่ยเนืองเนืองเราก็จะเห็นว่าทุกตัวนั้นเกิดแล้วก็ดับทีแรกเราเห็นแค่ว่าความโกรธเกิดแล้วดับความโลภเกิดแล้วดับความหลงเกิดแล้วดับต่อไปจิตมันจะสรุปรวบยอดนะว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตรงที่เข้าใจธรรมะเนี่ยเป็นความรู้รวบยอดไม่ใช่รู้ทีละอันแลแต่ว่าอาศัยรู้ทีละอันทีละอันไปเรื่อยๆนะสภาวะใดปรากฏเฉพาะหน้ารู้ลงไปเรื่อยนะแต่อย่าไปเพ่งนะรู้เล่น รู้บ้างเผลอบ้างต้องแบ่งเวลาไว้เผลอบ้างนะจะมารู้ตัวตลอดเวลาไม่ได้มันจะกลายเป็นการเพ่งทันทีเลยเพ่งไว้นเงี้ยบอกว่ารู้ทั้งวันเลยรู้ทั้งวันรู้ทั้งวันอย่างนี้ตัวปลอมนะต้องปล่อยให้มันเผลอบ้างแต่อย่าเผลอนานเผลอนานแล้วน่าเกลียดอ่ะไปตอ่อไปกับนมัสการหลวงพ่อครับในอดีตผมเคยภาวนาพุโทโธนะครับ หลังจากนั้นผมก็ไปกําหนดรูปนามแล้วก็มีโอกาสได้ได้กับนสดการหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้แนะนําว่าให้รู้สึกตัวนะครับผมก็กําหนดรูปนามไปปรากฏว่าก็เกิดอาการโค้งตัวตัวใหญ่ตัวเล็กหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ต้องไปแก้อาการผมก็ไม่แก้อาการก็รู้แล้วก็เผอรู้แล้วก็เผลอ <ừ> ปัจจุบันผมก็เวลาเดินไปขึ้นรถผมก็รู้สึกว่าผมเดิน <ừ> เดินกลับบ้านก็รู้สึกว่าเดินกลับบ้าน รู้สึกไหมว่าร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินบางบางครั้งก็เห็นแว บ, บๆครับแต่ <Summer. S 1> เราเราดูเรื่อยๆนะเราจะเห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนอนร่างกายมันนั่งเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกว่าเราอยืนเราเดินเรานั่งเรานอนถ้าเมื่อไรรู้สึกว่ามีเรานะ่เมื่อนั้นจิตกาลังหล ง, หลงอยู่ถ้าจิตไม่หลงจิตมีสติอยู่มันจะเห็นว่าร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอน บางครั้งเขาก็ตามไปรู้จิตนะครับแต่ว่าตอนนี้ชีวิตก็เริ่มจะขาดเป็นท่อนๆสมัยก่อนนี้มันมันคิดแล้วมันสนุกอะครับเวลานอนคิดก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวคิดตัวเองเป็นชอลิ้วเฮียงอะไรบ้างมองมองออกไหมว่าตอนนี้ใจเราเหมือนอยู่ห่างๆออกไป บ, บางครั้งจะรู้สึกว่าห่างๆครับแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าไปแช่อยู่นะครับ<น>ต่อไปนี้นะถ้าใจเราไหลเข้าไปคลุกเข้าไปคลุกวงในไปแช่ไว้เราก็รู้ทัน ใจเราถอยออกมาอยู่ห่างๆเราก็รู้ทันรู้ไปเรื่อยไม่บังคับว่าต้องอยู่ห่างนะตอนเนี้ใจใจมันเริ่มห่างออกมาแนละ้ตอนที่ใจมันเริ่มห่างออกมาเนี่ยก็คือใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นร่างกายอยู่ห่างๆออกไปใจอยู่ต่างหากเห็นเวทนาอยู่ห่างๆออกไปนะจิตใจอยู่ต่างหากเห็นกุศลนะกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงเนะีนะ่ยอยู่ห่างๆใจเราเป็นคนดูอยู่ห่างๆไม่เข้าไปคลุกวงในแต่ไม่ต้องพยายามให้ห่างนะ ถ้าเขาห่างก็ให้เขาห่างของเขาเองเขาจะไหลไปรวมก็รู้ว่าเข้าไปรวมเองนะตอนมันเข้าไปรวมจะรู้สึกเป็นทุกข์มากตอนมันถอยออกมาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยทุกข์แต่ว่าไม่ใช่เอาไม่ทุกข์นะเอาให้เห็นเลยทั้งหมดนี้มันทํางานของมันเองทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราผมขออีกคําถามนึงครับแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจิตก็ยังไม่ตั้งมั่นยังกระจายกระจายอยู่ครับหลวงพ่อให้รู้ทันว่าจิตกระจายอยู่ใช้ได้ละ คือจ <muitas S 2> ิตเป็นย <that> <ñ> <vậy> no ังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใช้ได้นะหลักของการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเวทนาเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปแก้ไขตามดูไปเรื่อยๆดูไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะงั้นเราต้องตั้งหลักให้แม่นนะที่เราหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจแทบเป็นแทบตายไม่ใช่เพื่อบังคับกายบังคับใจให้มีความสุข ไม่ใช่เอาความดีไม่ใช่เอาความสงบแต่ให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราหรอกดูไปเรื่อยแล้วจะเห็นเลยมันไม่ใช่เราพอใจมันแยกออกมาสังเกตไหมความเป็นเรามันลดลงแล้วเข้าไปคลุกเมื่อไหร่นะมันเป็นเราเต็มๆขึ้นมาเลยความเป็นเราเนี่ยเกิดจากความคิดนึกปรุงแต่งในความเป็นจริงแล้วตัวเราไม่มีอาศัยว่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะัคิดเอาเองก็เลยเกิดตัวเราขึ้นมา พอเรามีสติเราหลุดออกจากโลกของความคิดตัวเราก็ไม่มีอ้าวต่อไปใครแบบนมัส ก, การหลวงพ่อนะคะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้พอดีหนูพิ่งมาครั้งแรกแล้ว เ, เคยฟังซีดีหลวงพ่อมาด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็พาลูกชายมาด้วยค่ะลูกชายกําลังเขินอยู่ <c oughs> หัดลูกของเราเองน ะ, ะโกรดเป็นไหมค่ะโกรดเป็นไหมโกรธเป็นค่ะ โลบเป็นไหมเป็นค่ะเออใจลอยเป็นป่ะเป็นค่ะทุกสั้นน่ะเป็นค่ะขิดฉาเป็นไหมเป็นค่ะดูเป็นทุกตัวเลยตัวไหนกำลังปรากฏอยู่ในใจเราก็รู้ว่ามันปรากฏอยู่ค <ขา S 2> ่ะฝึกเท่านั้นแหละค่ะ <ขา S 2> เด็กเล็กๆยังดูได้เลยขอบพระคุณมากเลยค่ะครับกล่าวนวัตการนะครับก็ฟังซีดีของหลวงพ่อมานะฮะฟังตั้งนานแล้วนะฮะก็อยากขอการถาม สภาวะหนึ่งที่สงสัยมานะฮะก็คื อ, เ, อเป็นลักษณะของอสภาวะที่จิตเนี่ยไปไปแลลึกรู้สิ่งหนึ่งที่ เ, เหมือนกับว่าอะไรที่เข้ามากระทบนะฮะทางทางตาทางหูทางทั้งหมดเนี่ยฮะตาเห็นรูปเห็นอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งไอ้ตัวความคิดนึกความคิดของเรานะฮะสิ่งที่เราสัมผัสทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเป็นมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นการปรุงแต่งขึ้นทั้งหมดทีนี้ไอ้ความปรุงแต่งตรงเนี้ย ตอนแรกก็ไม er ่ไม่ผมไม่เคยสนใจว่าม right? ันเป็นอะไรนึกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เป็นกันฮะมันมันเลยเกิดความสงสัยจิตตอนนี้อยากจะรู้มากเลยว่าเคยหาคําตอบว่ามันคืออะไรนะฮะอยากทราบว่ามันมันมันเป็นอะไรฮะมันคืออะไรอะไรอ่ะอะไรเป็นอะไรคือไอไอไอจิตที่มันมันไปรู้สภาวะว่าอะไรที่เข้ามากระทบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องจริงไงฮะอ่านั่นแหละจิตมันมีปัญญา แต่ว่าทุกอย่างเหมือนภาพลวงตาท่านเองใช่ฮะมันเหมือนกับว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนั่งๆกันอยู่เนี่ยมันมันมันไม่ใช่มันเป็นการที่จิตไปไปไปสร้างขึ้นไปนั่นแหละเห็นเห็นถูกแล้วนะแต่ว่าตอนเนี้ยปัญญามันล้าหน้าไปปัญญามันล้าหน้าไปแล้วนะสติกับสมาธิมันไม่ทันใช่ฮะผมอ่ะนี่ทราบไหมดูออกไหมดูออกเลยครับว่าเป็นคนที่สมาธิมันไม่ไม่ไม่ค่อยแต่นั่นแหละจิตมันเลยไปฟุ้งซ่านพอมันไปรู้ไปเห็นความจริงนะมันก็จะไอ้นนท์ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอา อะไรๆก็จะไม่เอาหมดเลยเอ้โห ถ, ถูกเป๊ะเลยครับเออถูกสิไม่หลอกหลอกอให้รู้ทันลงไปนะว่าใจไม่ตั้งมัน่นไปดู<ช>ตัวนี้ก่อน <ฮะ S 1> นี่เอ่อต้องขอกันบ้างรู้ขอกำมะฐานอะไรสักหน่อยล่ะให้มันคือผมได้รับคําชี้แนะจากท่านอาจารย์เนี่ยอาจารย์ของเอออยเอยออกชื่อบอกว่าอ่าไม่ออกชื่อก็ได้ะฮ ะ, <c oughs> ะคือบอกว่าผมบอกเออรู้สึกอยู่ที่ ท, ที่ที่ที่ที่งอกเนี่ยนะฮะอะไรมากระทบแล้วก็รู้สึกอยู่เนี้ยรู้สึกไปรู้สึกเองนะฮะ บางทีมันก็เป็นไม่ใช่ไม่ใช่คนดีนะฮะมันก็มันก็เร็วๆไปบ้างมันก็อะไรของมันไปแต่มันฟุ้งสั้นอะไรก็รู้ไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจด้วยว่ามันมันมันไม่ตั้งมั่นนะฮะเพราะงั้นไปไปสังเกตจิตที่ไม่ตั้งมั่นไปนะให้รู้ทันไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันค่อยตั้งของมันเองของคุณปัญญามันล้ําหน้าไปมันรู้มากไปรู้เร็วไปในขณะที่จิตเนี่ยมีกําลังไม่พอมันฟุ้งไปในธรรมะ ใช่ใชเลยมันเลยไม่ตัดอริยมรรคจะไม่เกิดนะขอบคุณมากนะครับ น, นมัสการค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านค่ะเมื่อวันที่หนึ่งไปเรียนที่วัดหลวงพ่อสอนว่าหนูติดสมถะเอาจิตไปไว้กับความว่างแล้วก็ภาวนาพุธโธก็เป็นทําเป็นคุกแหนูก็มาฝึกภาวนาใหม่วันนี้ก็จะมาส่งการบ้านก็เอาจิตเบิงเป็นตัวดึงมาเป็นตัวรู้เป็นผู้รู้ค่ะดูกายเคลื่อนไหวแล้วก็จิตหนีไปคิดก็รู้ แล้วก็พอทํางานบ้านไปก็ตามดูตามรู้ก็ชั่วโมงนึงก็เผิ่ประมาณสิบครั้งเอ๊ะสี่สิบครั้งค่ะสี่สิบน ะ, ะเอาให้ได้นาะทีละสี่สิบครั้งค่ะยิ่งบ่อยยิ่งดีค่ะใช้ได้แล้วเราไม่ติดคุกแล้วนะคะเออไม่ติดคุกแล้วค่ะขอบพคุณค่ะระวังนะบางคนอยู่ในคุกมานานพอหลุดออกจากคุกนะเลยเตลิดไปเลยใจกระเจิดกระเจิงไป ให้เราคอยรู้ไว้พวกที่ติดสมถามาก่อนเนี่ยพอเลิกเพ่งนะใจจะฟุ้งแรงเลยให้เราอดทนไปคอยรู้ค่อยดูเดี๋ยวมันเข้าที่เองของคุณใช้ได้ล้วหลวงพ่อไม่ได้ใส่ร้ายใช่ไหมที่บอกว่าไปเพ่งอยู่เนี่ยนมัสการ์ของหลวงพ่อครับวันนี้มาส่งกันบ้านหลวงพ่อครับขนาดนี้ตื่นเต้นมากครับคือก่อนหน้านี้ที่ไปส่งกันบ้านหลวงพ่อที่ศาลาหลวงพ่อบอกว่ากดสภาวะไว้แล้วก็ติดการประคองครับ หลังจากนั้นมาก็ดูตัวที่ประคองเอาไว้ก็รู้ว่ามันเกิด <Hundred. S 2> จากความอยากอยากให้สภาวาะนั้นมันดีพอมันไม่ดีเราก็อยากมันก็เกิดจากการทําแล้วก็ไปประคองมันไว้ครับก็ดูตัวอยากมาเรื่อยๆครับตอนหลังก็เห็นว่ามันมีทั้งอยากดีแล้วและทั้งอยากไม่ดีครับพออยากขึ้นมาทีไรมันก็ไปทําตะลอดครับใ<อ> <ๆ S 2> หม่ๆก็จะเห็นว่าพอทําตามที่มันอยากแล้วเราก็รู้สึกดีหลังๆพอไม่ทําที่มันอยากก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันครับ ตอพอดูไปเรื่อยๆก็จะก็จะเห็นเลยว่าแค่อยากขึ้นมาเนี่ยแค่เห็นจิตมันดิ้นรนแล้วมันก็ทําให้เกิดความทุกข์เขาใช่อ น, นั้นแหละเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเวลามีตัณหาใช่ไหมมีอุปาทานอุปาทานคือตัณหาที่มีกําลังรุนแรงมันจะเกิดภพขึ้นมาภพคือการทํางานของจิตจิตมันจะดิ้นคและมีภพขึ้นมามันจะมีเราขึ้นมาแล้วก็มี ค, ความทุกข์ขึ้นมาดูออกไหม ดูออกครับเราหัดภาวนานะเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นปฏิจจส ม, มุปบาทท่านท่านนี้ก่อนท่านปลายๆก่อนแต่ถ้าแจ้งปฏิจจส ม, มุปส่วนต้นนะอันะจะคําพบคาําชักก็รู้แจ้งว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารนั่นแจ้งอวิชชาพอ ร, รู้แจ้งอวิชชาละอวิชชาได้ครับตอนนี้เราเห็นแต่ว่าเั็นเกตไหมก่อนจะมีตัณหามันมีผัสสะก่อน เช่ <Finished S 1> นใจเราต้องไปคิดก่อนหรือตาเราต้องมองเห็นก่อนครับพอมีผัสสะขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาพอรู้สึกสุขมันก็อยากได้เห็นไหมรู้สึกทุกข์มันก็อยากผลั ก, กออกไปพอดูสภาวะไม่ออกก็หมุนไปหมุนมาหันซ้ายหันขวาครับ <นะ S 1> พอมีความอยากเกิดขึ้นทีไรจิตใจก็ดิ้นรนทํางานทีนั้นจิตใจดิ้นรนทํางานทีไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นั้น เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราหัดภาวนาเราสังเกตทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นจิตจะถูกบีบคันจิตของเราจะถูกบีบคันทั้งวันทั้งคืนความทุกข์เกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนแค่อยากดูอยากฟังนะมันก็มีความบีบคันถ้าอยากได้อยากอะไรนี่นะอยากทางใจมากๆแรงๆก็ทุกข์มา ก, มา ก, ก, มากใจจะถูกบีบคันและจิตใจของพวกเรานะน่าสงสารที่สุดเลยถูกบีบคั้นตลอดเวลาโดยตัวเองเป็นผู้บีบคัน ไม่มีใครเข้ามาบีบคั้นให้นะบีบของตัวเองบีบหลวงพ่อแต่ก่อนภาวนานี่ยเช้าขึ้นมาก็หยิบขึ้นมาพริกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวามันก็บีบเหมือนเหมือนกันนะเมื่อไหร่จะบรรลุพระอรหันต์วะหันไปหันมาเนี่ยหันเอาจิตหันไปหันมานะมีแต่สร้างพบสร้างชาติทั้งหมดเลยนะงั้นถ้าเมื่อไหร่ความอยากเกิดขึ้นนจิตก็จะถูกบีบคั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นความเครียดจะเกิดขึ้น คนในโลกนี้เลยอยู่กับความเครียดเครียดตลอดนะถึงน้ํามันราคาถูกก็เครียดอีกอะเครียดน้ํามันถูกแล้วจะไปเที่ยวไหนดีเนีครับหลวงพ่อครับพอ พ, อ, พอผมเห็นความอยากทีนี้ก็ไปเห็นเลยว่าเหตุมันเกิดจากว่าเราอยากก็เลยรู้ความอยากไปเรื่อยๆจากนั้นพอรู้แล้วสภาวะเรามันก็ดับไปเพราะว่าเหตุมันดับไปครับอืแล้วทีนี้จิตก็ตั้งมั่นแล้วตอนนี้มันเหมือนกับว่า แต่ก่อนดูแล้วจิตมันจะดิ้นรนแต่ตอนนี้ดูแล้วจิตมันจะเฉยๆรู้อยู่เฉยๆอะครับไมราบว่าที่ดูอยู่นี่มันอยากให้มันเฉยอย่างทื่อๆก็แล้วกันนะให้มันเฉยบ้างวิ่งบ้างเฉยบ้างวิ่งบ้างอย่าให้เฉยคงที่ถ้าเฉยคงที่ทําผิดละสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงวันถ้าเราภาวนาแล้วเราไปเจอว่ามีสิ่งบางสิ่งเที่ยงเนี่ยผิดแล้วล่ะต้องเฉลียวใจนิดหนึ่ง ผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยที่หลวงพ่อเคยพบเคเห็นมานะจะมีตัวหนึ่งเชี่ยงอย่มันจะมีตัวนิ่งนิ่งอยู่ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็มีตัวหนึ่งนิ่งนิ่งรู้ท้องของยุบก็มีตัวนิ่งนิ่งหายใจก็มีตัวนิ่งนิ่งขยับไม้ขยับมือก็มีตัวนิ่งนิ่งไปสงวนรักษาตัวบางตัวเอาไว้เป็นตัวเรานั่นแหละต้องใจถึงถึงนะปล่อยมันทีนี้จะขอกัรบ้านหลวงพ่อเพิ่มเติมครับสอนให้ตั้งนานแล้ว ไปดูไปลงปัจจุบันนะเนี่าไปประคองไว้ก็แล้วกันปล่อยไปขณะนี้ตื่นเต้นเลยประคองไว้แล้วตอนที่ไม่ได้ประคองมันจะฟุ้งนิดหน่อยเวลาที่จิตฟุ้งสั้นให้รู้ทันลงไปนะแล้วก็ทําในรูปแบบด้วยพยายามเดินจงกลมพยายามเคลื่อนไหวร่างกายไปเรื่อยครับค่ะหลวงพ่อกับนวัตการหลวงพ่ออยู่ไหนล่ะอยู่ไหนวันนี้ค่ะก็คือมีคําถามที่สับสนอยู่ค่ะหลวงพ่อคือ คือที่หลวงพ่อบอกว่าให้สติตามตามรู้ว่าแบบขนาดนี้เราคิดยังไงอะไรยังไงใช่ไหมไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้สอนว่าให้มีสติตามรู้ว่าคิดเรื่องอะไรหลวงพ่อบอกให้มีสติตามรู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่คิดเรื่องอะไรไม่สําคัญที่สําคัญคือรู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่อย่างตอนนี้ยจิตกําลังคิดอยู่รู้สึกไหมค่ะหลวงพ่อไม่ใช่ไปดูเรื่องที่จิตคิดนะ แต่ดูอาการดูว่าตอนนี้จิตกำลังคิดถ้ารู้เรื่องที่จิตคิดนะคนที่ไม่ปฏิบัติเก็รู้ใครๆคิดขึ้นมาก็รู้ใช่ไหมคิดเรื่องอะไรนคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเาก็รู้แต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจิตไปคิดไม่สนใจหรอกว่าคิดเรื่องอะไรรู้ว่าจิตไปคิดอย่างตอนนี้จิตไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหม ส, สังเกตไหมเวลาฟังหลวงพ่อเนี่ยบางทีก็มองหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟัง ตั้งใจฟังนิดเดียวก็สลับไปคิดรู้สึกไม้มฟังแล้วก็สลับไปคิดฟังแล้วก็ไปคิดให้กันบ้านนะต่อไปนี้เวลาไปคุยกับใครก็ตามยกเว้นคุยกับเจ้านายหรือคุยเรื่องงานนะเดี๋ยวเขาไล่ออกส่ น, ะอนเอาคุยเล่นๆกับเพื่อนอะไรเงี้ยจิตเราไปฟังเราก็รู้จิตเราไปคิดก็รู้หรือเราดูโทรทัศน์ดูทีวนะีเราดูเดี๋ยวจิตเราก็วิ่งไปดูในจอเดี๋ยวจิตเราก็หนีไปคิด จะสลับกันไปเรื่อยๆให้คอยรู้ทันจิตวิ่งไปในโทรทัศน์ก็รู้จิตวิ่งไปคิดก็รู้เช่นดูหนังนะนางเอกกําลังถูกตบแล้วจิตหนีไปคิดเลยอืนางอิจฉานี่มันร้ายจริงเยรู้ทันว่าจิตแอบไปคิดละนะเกิดสงสารนางเอกขึ้นมารู้ว่ากําลังสงสารอยู่นเนี่ยฝึกดูอย่างนี้นะไม่ใช่ดูเรื่องที่คิดนะ การรู้เรื่องที่คิดนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติเขาก็รู้กันชาวบ้านเขาก็รู้หมาอย่างรู้เลยก็ถ้าเกิดสมมติเราตามไปรู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่ใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ใชก็ทีนี้คือพอเราไปตามรู้ปุ๊บความคิดตรงนั้นมันก็มันจะขาดทันทีมันจะหายไปเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อถึงบอกกันว่าตอนทํางานอย่าไปทําอย่างนั้นเดี๋ยวเ้าไล่ออกพอพอความคิดนั้นหายไปใช่ไหมคะหลวงพ่อคือ เคอันนี้คือมีเคยเคยอ่านหนังสือเจอค่ะเหมือนกับว่าในหนังสือก็อธิบายว่าคือเราก็ให้ตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย<า>เราก็ตามรู้จิตนะไม่ใช่ตามรู้เรื่องที่คิดไปเรื่อยๆนะตามรู้ว่าจิตไปคิดพอรู้ทันจิตก็หยุดคิดเดี๋ยวจิตก็ไปคิดอีกเราก็รู้ว่าจิตไปคิดพอรู้ทันแล้วมันก็หยุดคิดอีกเราก็จะเห็นว่าเดียดเดยเด๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็รู้จะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วการที่เราจะต้องเอาทำมาอย่างเช่นแบบกดไตรักเข้ามาประยุกต์หลังจากนั้นว่าแบบก็คือแค่แค่คิดสิแ ค, แค่แค่รู al al ้ทันว่าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าจรง<ช>ิงจมันไม่ม่ที่ยวอย่า ง, งความโกรธเกิดขึ้นพอความโกรธเกิดขึ้นในใจนะพอเรารู้ทันว่าความโกรธเกิดแล้วความโกรธก็จะหายไปเดี๋ยวความโลภ ก, ก็เกิดอีกพอเรารู้ทันความโลภ ก, ก็หายไปเดี๋ยว ก, ก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวได้แวบเดียวเดี๋ยวก็หลงไปอีกละ เนี่ยจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับถึงจุดหนึ่งเนะี่ยจิตมันจะสรุปไตรลักษณ์ออกมาเองจิตมันรู้ไตรลักษณ์ของมันเองนะเรามีหน้าที่ตามดูสภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละแล้วจิตจะรู้ไตรลักษณ์เองก็ไม่ต้องพิจารณาธรรมะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออไม่ต้องนะยกเว้นแต่ว่าจิตฟุ้งซ่านมากก็พิจารณาธรรมะเป็นสมถกรรมาฐานทาให้จิตสงบ แต่ถ้าจิตเรามีกําลังเราเห็นจิตเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ให้ตามดูไปไม่ต้องไปคิดเรื่องใตรลักณใจรักษณ์ไม่ไดเอาไว้คิดใจรักณ์ต้องไปเห็นเองใจรัก์ที่คิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาะนะถ้าเรียนอภิธรรมจะรู้ตรงที่ยังคิดอยู่นะคิดถึงใจรักษอยู่เนี่ยเห็นความเป็นใจรักษณ์ด้วยการคิดเอาเขาเรียกมีปัญญาชนิดที่เรียกว่าสัมมัสสนญาณยังไม่ขึ้นวิปัสสนาดังนั้นต้องพ้นจากความคิด หลว ง, ลงพ่อพุธสอนชัดนะสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดแต่ว่าเราจะไม่คิดได้ไหมหลายคนเริ่มเอาล้ ว, ว่าต่อไปนี้จะทาวิปัสนาทั้งวันโดยเลิกคิดก็จะคิดใหญ่เลยว่าทำยังไงจะเลิกคิดได้นะไม่ต้องอไปเลยเลิกคิดนะจิตมีหนะ้าที่คิดจิตต้องคิดทั้งวันเพียงแต่ว่าคนทั่วไปพอจิตคิดแล้วมันเกิดกิเลสขึ้นมามันครอบงาจิต ผู้ปฏิบัติพอจิตไปคิดรู้ทันว่าจิตไปคิดนกิเลสไม่มีโอกาสเกิดเรียนถามหลวงพ่อครับคือว่าโดยโดยอุปนิสัยเนี่ยเป็นคนคิดมากแล้วก็คิดในทางลบอะครับทีนี้เนี่ยถ้าเผลอนิดนึงก็จะคิดที่ผ่านมาเลยใช้การอยู่กับลมหายใจแต่ก็พบว่ามันก็ยังซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ครับแล้วจิ ต, ตมันมีหน้าที่คิดไงรเราพยายามไปฝืนหน้าที่ของเขา เหมือนไฟมีหน้าที่มันร้องร้อนเงี้ยเราจะไปทําให้ไฟไม่ร้อนเนี่ยพยายามฝืนเราอย่าไปฝืนเขาเราดูไปจิตเขาคิดของเขาเองไม่ใช่เราคิดนะจิตมันคิดของมันได้เองจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกดูอย่างนี้ไม่ใช่ไปดูให้มันไม่คิดที น, นี้ประเด็นก็คือว่าพอพอปล่อยให้ดูดูจิตที่มันคิดแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ได้รับความทุกข์จากเรื่องที่คิดอะรับมันก็เลยเป็นภาวะเหมือนกันแลนน้นพราเราคิดไม่ดีถ้าได้ความทุกข์ ถ้าเราไปคิดดีๆเราได้ความสุขแต่ทั้งความสุขและความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงนั้นปล่อยให้มันคิดแล้วเรามีสติรู้ทันไปเรื่อยๆต่อไปนี่พอมันใจไหลไปคิดปั๊บสติรู้ทันนะความคิดจะดับไปใจจะตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งมีความสุขแวบหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาความสุขอ น, นี้เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราคุณต้องตั้งหลักให้แม่นนะเหมือนเราจะทําธุรกิจหรือเราจะทําสงครามอะไรเนี่ย เราต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของเราต้องการอะไรการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการให้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราเราะนั้นทั้งหมดเลยจะต้องมาสู่จุดนี้ไม่อ้อมไปที่อื่นไม่ใช่ไปเห็นว่ากายเป็นปฏิกูปัสุภาษอะไรเนี้ไม่เข้ามาเป้านี้หรือจิตใจเนี่ยทายังไงจะไม่คิดเราไม่ได้ต้องการจิตที่ไม่คิดเราต้องการให้เห็นว่าจิตมันคิดของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเมื่อไหร่ยอมรับว่า ตัวเราไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเนอะก็จะได้ธรรมะถ้าโสดาบันรู้ตรงนี้ไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าโสดาบันก็ยังคิดอยู่พระอราหันต์ก็ยังคิดอยู่ผมควรจะทํายังไงกับภาวะที่มันอย่างนี้ดีครับนอกเหนือจากต้อ ง, ต, องต้องยอมรับมันนะให้รู้ทันว่าใจเราไม่เป็นกลางกับสภาวะใช่ไหมพอมาไปคิดแล้วคิดอกุศลเราก็ไม่ชอบแล้วเราอยากให้มันคิดแต่กุศล คิดอกุศลแล้วใจเราก็มีความทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่ชอบอีกแล้วเราไม่อยากได้รับความทุกข์ความทุกข์นี้เป็นวิบากเป็นผลนะเราห้ามไม่ได้หรอกเพราะเราไปปรุงแต่งไม่ดีมายัางไงก็ต้องรับทุกข์เราอย่าไปปฏิเสธผลคล้ายเราเดินซุกซนนะเดินซุ่มซ่ามเอาหัวไปโขกเสาเท่านี้หัวต้องเจ็บนะไม่ใช่คิดยังไงโขกแบบไหนถึงจะไม่เจ็บไม่ใช่นะไม่ใช่ไปฝึกนะว่าจิตยังไงจิตจะไม่ทุกข์จิตยังไงจิตก็ต้องทุกข์ ก็จิตเป็นขันจิตต้องทุกข์แน่นอนแต่ถ้าเรารู้ทันเราหมดความยินดีหมดความยินร้ายเราก็พ้นทุกข์ไป<ณ>ให้คุณคของคุณให้รู้ทันเลยจิตมัน ย, ยังยินร้ายอยู่มันขี้โมโหรู้สึกไหมมันโมโหทุกเรื่องมันหงุดหงิดทุกเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันก็โมโหนะโมโหตัวเองได้ด้วยเพราะเรารู้ทันรู้ทันลงไปจิตเราไม่เป็นกลางจิตเรา ย, ยินร้ายกับอารมณ์ยย อ, มอย่างน้อนยินร้ายกับอารมณ์อย่างนี้รู้เรื่อยๆไป รู้ภาวะนี้บ่อยๆรู้บ่อยๆนะแล้วเขาพัฒนาเองครับวันหนึ่งเราจะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันจะคิดมันก็คิดของมันเองมันจะโกรธมันก็โกรธของมันเองมันจะทุกข์มันก็ทุกข์ของมันเองไม่ใช่เราสักอันเดียวครับขอบพระคุณครับตั้งหลักให้แม่นนะภาวนาตั้งหลักเราต้องรู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตั้งหลักตัวนี้ให้แม่นๆเพราะพระโสดาบันรู้ว่าตัวเราไม่มี เป้าหมายที่หนึ่งต้องเป็นพระโสดาบันงั้นมาดูกายดูใจไปอย่าไปดูในมุมอื่นนะเช่นกายนี้เป็นปฏิกูนาสุพระจิตนี้เป็นความว่างนจิตดูไปแล้วว่างๆแล้วคิดว่าดีไม่ใช่ต้องดูให้เห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าวิปัสสนาจำไว้นะวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเอกภพหลับในไปแล้วเพิ่งมาครั้งแรกค่ะเดี๋ยวนะ<อ>แป๊บหนึ่งนะ พวกที่เฝ้ากล่องนะใจลอยหมดเลยอ้าว่าไป ร, หรอหลวงพ่อตื่นเต้นแล้วก็สลับกับง่วงค่ะแล้วก็ดูจิตมาสักระยะหนึ่งต่อนหน้านั้นทำรูปแบบคือเคลื่อนไหวสั้นเื่องวะแล้วก็รู้สึกว่าไปอยู่วัดมาห้าวันแล้วมันไม่ตื่นเลย วันสุดท้ายทนไม่ไหวมันมีแต่หงูดหงิดแล้วก็ฟุงซ่านเคลื่อนไหวมือเนี่ยนะคะแล้วก็พอวันสุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยฟังซีดีหลวงพอ่อแมันก็ตื่นขึ้นมาเลยไม่แน่ใจว่ามันเหมาะสมกับหนูไหมที่เลือกแบบนี้อะไรนะคือเคลื่อนแบบสร้างจังหวะมือเนี่ยค่ะสร้างจังหวะก็ได้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าอย่าจงใจ <c oughs> ของคุณเนะี่ยตอนที่ขยับมือทําจังหวะนะมันมีความโลภแฝงอยู่ตลอดเลย ใช่ไหมมันอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากหายงุดหงิดเออให้ดูลงไปให้รู้ทันจิตของเราขยับเนี่ยนะเพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองนะไม่ใช่ขยับเพื่อจะให้จิตดีขยับเพื่อจะรู้ทันจิตงั้นขยับไปแล้วจิตหนีพิกคิดก็รู้ขยับแล้วจิตไปเพ่งใส่มือก็รู้ขยับแล้วงุดหงิดก็รู้งั้นขยับแล้วรู้ทันจิตไปไปทําผิดนะไม่ใช่ว่าวิชาขยับเขาไม่ดีน่ะไม่ใช่อย่างนั้นแต่รู้สึกว่ามัน ไปอยู่ห้าวันนี่มันเสียเวลาเรามากเลยแต่มาฟังซีดีหลวงพ่อแ ป, ป๊บเดียวมันตื่นสดชื่นขึ้นมาเลยเโอ้อย่าไปเทียบอย่างนั้นนะเ <c oughs> นี่ยท่านนั่งอยู่นี่เดี๋ยวท่านว่าเอาแล้วก็รู้สึกว่าจะหลงคิดไปมากอยู่อะค่ะเออสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนนะนะสุดยอดกรรมาฐานละนรคะเราไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านสอนอย่างท่านสอนขยับเนี่ยท่านบอกเขย่าว่ารู้ใช่ไหมท่านขยับเพื่อจะรู้สึกตัวของเราขยับเพื่อจะให้จิตสงบเนี้ย ขยับเพื่อจะให้จิตสบายใช่หไหมผิดวัตถุประสงค์นั้นเ่อไหรจะสงบวะไม่สงบสติใช่หไหมก็โมโหสิขยับเล่นๆสิเห็นไหมไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกกระดิกะขยับไปขยับไปจิตหนีไปคิดแล้วเออจิตมันทํางานได้เองจิตมันไม่ใช่ตัวเราเนะมืนหลวงพ่อเทียนท่านสอนเยี่ยมมากเลยหลพ่อชอบนะท่านสอนเลยบอกถ้ารู้ทันว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติ การดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนี้สำนวนหลวงพ่อเทียนนะแล้วก็จริงไม่จริงก็ไม่จริงเสมอไปแล้วแต่จริตนิสัยคนบางคนดูกายก็หลุดพ้นบางคนดูเวทนาแล้วหลุดพ้นแต่และคนไม่เหมือนกันถ้าคนไหนถนัดดูจิตล้วก็ดูจิตไปคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายไปแต่ต้องดูให้เป็นดูกายก็จะต้องเห็นว่ากายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูมีกายกับจิตแยกออกจากกัน ดูเวทนาก็เห็นเลยเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งถ้าดูจิตก็จะเห็นเลยกุศลและอกุศลเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาใจอยู่ต่างหากค่อยฝึกไปแล้วก็ใช้ต่อไปได้นะคะถ้าทําอย่างตอนนี้ไม่ได้นะใจไม่เป็นธรรมชาติเลยได้ได้แต่ต้องสบายนะอย่างบางคนไปขยับแล้วเครียดแล้วก็เปลี่ยนซะกรรมฐานมีนับไม่ถ้วนไม่จําเป็นจะต้องเอาแบบใดแบบหนึ่ง งั้นบางคนสงสัยว่าฟังหลวงพ่อแล้วไม่เห็นหลวงพ่อบอกเลยว่าให้ใช้รูปแบบของกรรมฐานอะไรหลวงพ่อไม่ได้เน้นที่รูปแบบรูปแบบอะไรก็ได้นะขอให้หลักให้ถูกแล้วก็ไปดูว่ารูปแบบไหนที่เหมาะกับเราเราทำแล้วสติเกิดบ่อยเราก็เอาอย่างนั้นคนไหนดูท้องพองยุบถ้าดูเป็นนะสติก็เกิดคนไหนรู้ลมหายใจถ้าดูเป็นสติก็เกิดทาจังหวะมือสติก็เกิดถ้าทาเป็นถ้าทาผิดก็ไปเพ่งเหมือนกันหมดเลย ไม่มีดีไม่มีเลวอะไรกว่ากันหลอกแต่ต้องจับหลักให้แม่นค่า อ, อีกนิดนึงแล้วมันนิสัยเสียงคือมันชอบไปดูจิตคนอื่นนะคะเราอย่าไปดูนะจิตของเรายังดูไม่ทันเลยมันก็เลยเศร้าหมองแล้วก็เออสมน้ําหน้า <c oughs> ถ้าไป<อ>าาดูจิ ต, ตคนอื่นแล้วก็เวีกรรมแล้วล่ะยิ่งสนใจนะมันจะยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปปิดสวิตช์ไม่ได้บางทีได้ยินด้วยประสาทจะกิน ชิดดูซิถ้าเรานั่งอยู่นี่แล้วมีเสียงคนพันคนพูดพร้อมๆกันอะ่ะมันมีความสุขเลที่ไหนอะ่ะอย่าไปเอานะไปดูจิตคนอื่นนะหมดยังครับผมนี่หมาที่นี่เป็นครั้งแรกเมื่อก่อนนี้เคยปฏิบัติเคยเคยปฏิบัติแล้วมันค่อนข้างจะไปเป็นทางสมถะแล้วก็จิตมันจะฟุ้งฟุ้งฟุ้งซ่านลักษณะฟุ้งซ่าน ต่อหลังมาเดือนประมาณเดือนหนึ่งผมมีโอกาสฟังซีดี mm. ของพ่อก็ mm. เ, เลยมามาเริ่มมาหารมาดูจิตตอนนี้เวลามาเวลาทาปฏิบัติเนี่ยจิตมันคอยจะไหลไปที่จมูกแล้วก็ตัวมันก็จะแบบปองๆอ ง, องมันจะรู้สึกตัวสภาวะตอนนี้นี่รู้สึกว่าตื่นๆ่นตื่นๆ น, น, นี่ผมไม่ทราบว่าที่ผ่านๆมานี่ผมมันคัวว่าปฏิบัติผิด ไม่ผิดแล้วนะไม่ผิดแล้วใจเริ่มเริ่มถอยออกมาเริ่มตื่นออกมาแนละ้วะการที่เราภาวนาแล้วเราเห็นวนะ่าจิตเราไหลไปหาอารมณ์นะเรารู้ทันจิตที่ไหลไปเนะี่ยจิตก็เลยไม่ลงไปนอนแช่อยู่จิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูะจิตของคุณตอนนี้มันถอยออกมาได้แล้วมันถอยออกมาได้เพราะคุณรู้ทันเวลาจิตมันจะไหลเข้าไปหาอารมณ์แต่เดิมเวลาเราทําสมถะเนี่ยจิตเราชอบไหลเข้าไปอยู่ที่อารมณ์แล้วไปแช่นิ่งๆอยู่ ยิ่งนิ่งเรายิ่งดีเรรู้สึกอย่างไรจริงๆเราหลงอยู่แล้ที่เราจิตพอคอยมันคอยจะไหลเข้าไปอยู่ที่ที่ลมหายใจนี่ถูกถูกไหมครับ <S 1> <S 1> <S 1> <S อะไรนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยความรู้สึกเราจะมันจะลงไหลไปอยู่ที่ลมลมหายใจให้เรารู้ทันให้เรารู้ทันว่าความรู้สึกเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจใช้ได้เลยแต่ถ้าความรู้สึกไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มไปใช้ไม่ได้ ถ้ารู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่คุณเรียกความรู้สึกอ น, นะความรู้สึกมันไหลไปอยู่ที่ลมเรารู้ว่าไหลอย่างนี้นใช้ได้ละวครับขอบคุณครับอย่าให้มันเข้าไปนอนแช่อยู่นะหลวงพ่อเสียเวลา22ปีไปนอนแช่อยู่กับลมเรียกว่าติดลมกลับน้มัสการ์ต่อค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ลองปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะก็คือปกติประจําวันก็จะมีปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์แล้วก็ทําสมถะ บรกรรมพุทโธค่ะระหว่างวันเนี้ยก็พบว่าเขาก็จะรู้ตัวขึ้นมาเองอะค่ะเขจะรู้ตัวแวบหนึ่งแล้วก็จะเผลอไปแล้วก็รู้ตัวขึ้นนะคะเวลามีอารมณ์แรงๆอย่างเช่นเราโกรธใครหรือไม่พอใจเนี่ยก็จะรู้สึกค่ะบางวันที่มีกําลังดีก็จะหยุดได้ว่า เ, เราจะไม่ทําอาการที่ไม่ดีออกไปค่ะแต่บางวันถ้ากําลังไม่ดีเนี่ยก็จะมีหลุดออกไปบ้างเจค่ะแล้วก็พบว่า จิตใจของตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดีอย่างที่เคยคิดนะคะอืบางทีเราเจอคนที่ทําให้เราไม่พอใจมันเหมือนมีลึกๆลึกๆึกกอยู่ในใจว่าเออเราไม่น่าจะไปโกรธเขาแต่ว่าเราก็ได้ยินเสียงตัวเองในหัวว่าเขาเป็นชุดเลยค่ะใหญ่มากมแล้เราก็ตกใจว่าสังเกตไหมจิตมันด่าได้เองไหมจิตมันรักเองจิตมันโกรธได้เองจิตมันคิดได้เองรเราดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งรรเรารู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเหรอกตค่ะ บางทีเราสวดมนต์อยู่มันก็ไปคิดเรื่องอื่นได้เองนะะแล้วก็ว่าคอื่นเจ้าค่ะดูอย่างนั้นแหละอย่าขี้เกียจนะดูไปเรื่อยๆม้วันนี้อยากจะมาขอกันบ้านเจ้าค่ะแล้วแหละไปทำต่อต้องทำอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าใช่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มอันหนึ่งก็คือต่อไปนี้เวลาร่างกายกระดุกกระดิกนะก็รู้สึกบ้างแต่ไม่ใช่เพียงร่างกายนะแค่รู้สึกแค่รู้สึกเวลาที่ร่างกายจะอยากพูดรู้สึกไหม แมันมีแรงดันเพื่อหนึ่งขึ้นมากลางอกเงี้ยค่ะเวลาที่เราขยับตัวเจ้าค่ะมันจะเหมือนมีความรู้ตัวอยู่อยู่ด้านบนแล้วเราก็จะเห็นว่ามันขยับไปอันนี้นี่คือเป็นการแยกผู้รู้ใช่แยกผู้รู้ออกมาเป็นคนดูร่างกายยังไม่ผิดใช่ไมจ๊ะคะไม่ผิดแต่แต้องระวังอันนึงถ้าตัวผู้รู้แข็งแข็งขึ้นมาน่ะผิดถ้าตัวผู้รู้มันยังนิ่มๆอยู่ไม่ผิดอ่ะค่ะถ้าตัวผู้รู้แข็งรู้หมดเลยนะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเลยไม่รู้อันเดียวคือกิเลสตัวเอง ที่กำลังอยากปฏิบัติต่อค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เจ้าค่ะเออเขาที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดประคองอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็<อ>ให้ไปดูร่างกายตามการเคลื่อนไหว<อ>แล้วก็กลับไปดูร่างกายเห็นพอเห็นความคิดแล้วมันก็กลับมาที่ร่างกายต่ออย่างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วก็ช่วงนี้ป่วยเป็นไซนัส เ, <อ>เห็นว่าจิตมันแยกออกมา<อ>จิตมันไม่ป่วยตามมาเจ้าค่ะใช่นั่นแหละ ทำอย่างเดิมที่หลวงพ่อบอกนี่แหละเจ้าค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะประคองประคองหน่อยหน่อยใช่ไหมเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็เริ่มด้วยการดูกายดูกายเสร็จแล้วทุกอย่างที่รู้ที่เห็นก็อันเดียวกันนั่นแหละนะบางคนก็ดูมาจากเวทนาบางคนก็ดูจากจิตทางใครทางมันไม่มีอะไรดีกว่าอะไรหรอกก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะเจ้าเห็นไหมเห็นไหมใจกระโดดไปแล้วเห็นแล้วเจ้าค่ะเอานะค่ะอ้าจบหมดแล้วรือรู้ค่ะ S <S กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะลูกเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะเมื่อสองอาทิตย์ต่อลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ลูกเคยแต่ไปแต่วัดบ้านไปถึงก็ปัญญาไม่เกิดว่าวัดป่าเราไปอยู่กุดก็ต้องถุดเทียนก็ตั้งสติพอภาวนาตอนเช้าทำวัดเช้าค่ะก็เกิดนิมิตเห็นเห็นละเห็นหน้าตาตัวเองมีมีหนอนมีขึ้นที่หน้าตาเราก็ ทำวัดเช้าจนเสร็จก็นั่งภาวนาก็มีเกิดดับเกิดดับพอวันที่สามลูกก็เห็นสังขารตัวเองเนี่ยค่ะเป็นกระดูกแล้วก็ย่อยสลายนะคะพอวันที่สี่ลูกก็เห็นสังขารตัวเองอีกแต่ว่าเป็นย่อยสลายเป็นชิ้นเป็นเป็นชิ้ น, ช, นชิ้นส่วนแล้วก็เหมือนโดนโดนโดนูดลงไปไม่ทราบว่าการที่ลูกภาวนานเนี่ยเป็นปรุงแต่งหรือว่ายังไงไขอคมากไปก่อนนะลุอย่างเนี้ยใช้ได้ค่ะ ปรงอย่างนี้ไปก่อนแล้วร่างกายดูไปเรื่อยนะต่อไปร่างกายพอสลายกายไปหมดแล้วเนี่ยให้รู้ทันจิตต่อไปให้รู้ทันจิตอดูกายไปอย่างเนี้ยนะสังเกตไหมร่างกายที่แปรปรวนแตกสลายเน่าเปื่อยแตกสลายไปสูญหายไปเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่กายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันฝึกไปอย่างนี้แล้ว จิตเองก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะมันก็มาดูจิตต่อไปดูจิตต่อไปออกลับขอบพระคุณค่ะเราดูกายสลายกายแล้วก็เข้าสู่จิตกลับนรมาสการ์พระอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์เป็นท่านแรกที่ทําให้สามารถยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้ นั่องจากที่ผ่านมาเนี่ยใช้แต่สมถกรรมฐานอยู่ตลอดและมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยติดเพ่งแล้วก็ประคองอก็จึงมาวันนี้ก็อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยตรวจสอบดูว่าอาจิต ท, ที่เป็นอยู่เนี่ยประคองหรือเพ่งอยู่หรือว่าตั้งมั่นแล้วพอใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้ ว, นะ ด, ลวดูไปเรื่อยๆ ห, หมดคำถามข อ, ขอพบพระคุณพระอาจารย์เหลือประคองนิดหน่อยแต่ว่าเพราะว่าตื่นเต้นอะเลยไปกดเอาไว้นิดนึงแต่ถ้าไม่กดมันจะฟุ้ง นมัส ก, การพระอาจารย์ครับคือก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วครับแล้วก็ปกติเวลาภาวนาก็จะเน้นที่เดินครับเดินแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็พอมันเผลอก็จะรู้ตัวแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ออติดเตะตรงนี้ติดกว่าตะกี้แล้วเอาว่าไปก็ บางวันใจมันก็สว่างสว่างครับบางวันใจมันก็ว่าอะไรน้ำบ่นอะไรไม่ได้ยินบางวันใจมันก็สว่างสว่างบางวันใจมันก็มองมองเออดูไปมันไม่เที่ยงง่วงๆ่วงถ้ามันสว่างแล้วเราดีใจรู้ว่าดีใจนะมันมองมองแล้วเราไม่ชอบใจรู้ว่าไม่ชอบใจเนี่ยให้รู้ทันกิเลสไปอีกแล้วที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกถูกหรือเปล่าถูกสิถูกนะแต่ตอนนี้ไม่ถูก เนีตอนนี้ถูกมากกว่าแต่กี้รู้สึกแหมใจเป็นคลายออกตรงที่เรารู้สึกตัวนะใจจะผ่อนคลายถ้าหากเราภาวนาแล้วใจเครียดเครียดใจแข็งแข็งนะในขณะนั้นไม่ถูกขณะนั้นเพ่งไว้บังคับไว้กดเอาไวเนีย่ยตอนนี้ใจลอยทราบไหมคอยรู้เรื่อยๆนะแล้วก็อย่าไปกดมันแรงปล่อยมัน อ, อบางทีก็ไปติดข่มมันเออนั่นแหละไปข่มมันปล่อยมันไปข่มมันไว จิตใจนะมันไม่ชอบให้ใครไปบังคับมันปล่อยให้มันทํางานแล้วตามดูมันไปจนเราเห็นความจริงมันไม่ใช่เราหรอกทําไมเราต้องไปข่มด้วยเพราะเราอยากให้มันเป็นตัวเราเราไปคิดว่ามันเป็นตัวเราเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบเลยต้องไปข่มมันไว้ไปบังคับมันไว้เราจะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราอย่าไปข่มมันปล่อยมันครับขอคําแนะนําจากหลวงพ่อย่างนิ่งเกินไป ปล่อยมากกว่านี้นะปล่อยมากกว่านี้ให้ผ่อนคลายกว่านี้อีกหน่อยคือตอนนี้กลัวหลวงพ่อมันได้นิ่งเกินจริงไปเยอะเลยนะปล่อยๆซะนะที่ฝึกอยู่นะพอใช้ได้ลล้วตอนนี้มันเออเรไปเพราะว่ากลัวก็เลยไปเพ่งไว้ขอบคุณครับหลวงพ่อคะกลับนมัธยการหลวงพ่อค่ะคือลูกได้มาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะ ครั้งแรกได้มาเมื่อ17กุมภานะคะเดิมทีเดียวะคะ่ะมีความตั้งใจอยากจะนั่งสมาธิวิปัสสนานะคะ่ะแต่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะคะแล้วก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อก็รู้สึกกระทบใจมากะคะ่ะฟังครั้งเดียวมีความรู้สึกว่าต้องมาที่นี่นะคะ่ะแล้วก็ได้มาเมื่อ17กุมภาเป็นครั้งแรกะคะ่ะแต่ก็นั่งอยู่หลังสุดนะคะไม่ทราบว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มไปปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนนะคะ เริ่มรู้สึกกายรู้สึกใจอะคะ่ะพอทําได้สักประมาณสองวันนะคะลูกก็ทํากิจวัตรประจําวันตัวเองอยู่นะคะก็เผลอไปคิดพอเผลอไปคิดปั๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าพอพอรู้สึกว่าตัวเองเผลอไปคิดเนี่ยมันมันเห็นตัวเองอะคะ่ะมันเห็นตัวเองกําลังนั่งทํานั่งถูสบู่อยู่อะคะ่ะหลวงพ่อก็มีความรู้สึกตกใจมากอะคะ่ะเพราะมันเหมือนเป็นความว่างที่ลอยอยู่ข้างนอกอะคะ่ ะ, คะแล้วทีนี้ก็ คือหนึ่งตกใจแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ารังเกียจตัวเองมากอะค่ะคือไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากสัมผัสมันเหมือนกับเป็นวัตถุธาตุเหมือนที่หลวงพ่อเคยสอนนะคะค่ะเป็นก้อนธาตุที่นั่งขยับอยู่อะค่ะแล้วจากนั้นก็คือมีความรู้สึกว่าอยากจะไปจากตรงนั้นนะคะแต่มันไม่รู้จะไปไหนอะค่ะอย่าไปสิย่าจงใจค่ะถ้าจงใจแล้วไม่ไปหรอกตอนที่หัดสองวันแล้วเป็นเพราะไม่ได้จงใจเพราะมันเคยเป็นแล้วอยากให้เป็นอยากให้เป็นคราวนี้ไม่เป็นแล้วต้องรู้เล่น ค่ะต้องดูเล่นๆไปที่ฝึกอยู่ใช่ได้แล้วนะดีละค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้คืออย า, ากทราบว่าเวลาเกิดสภาวะอย่างนั้นอีกอะจิตไปอยู่ตรงไหนอะคะหลวงพ่อจิตไม่มีอะไรจิตก็เป็นแค่คนดูนะจะเห็นในขณะนั้นจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุรู้สึกไหมร่างกายมันอยู่ห่างๆออกไปค่ะพอนะจิตมันเป็นแค่คนดูเราไม่ต้องไปดูว่าตัวจิตตั้งอยู่ที่ไหนในขณะนั้นนะสภาวะอะไรเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาก็แค่รู้ไปเรื่อยๆ อย่างนั้นแหละดีแล้วเราไปเราก็จะเห็นอีกจิตก็ทํางานอย่างของคุณเนี่ยตอนนี้คุณเห็นได้แล้วร่างกายเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายมันอยู่ห่างๆออกไปแล้วความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็อยู่ห่างๆออกไปะกิเลสก็อยู่ห่างๆเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านนะใจเราเป็นแค่คนดูอยู่เนี่ยเฝ้ารู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดูอย่างนี้เรื่อยๆไปคแต่ตอนนั้นมีความรู้สึกอยากจะหนีไปอะค่ะแต่ก็ไม่รู้จะหนีไปไหนก็ไม่รู้เแหละพอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่าย ถ้าดูต่อไปอีกมันจะไม่เบื่อหน่ายนะมันจะรู้ว่าไปไหนไม่ได้หรอกมันต้องอยู่ด้วยกันคก็ะจะอยู่แบบไม่มีความรังเกียจอยู่อย่างเป็นกลางแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้อยู่แบบหลงไหลอย่างที่เคยหลงไหลแต่เคยแต่ก่อนนี้ก็อยู่กับมันด้วยความหลงไหลว่านี่คือตัวเรานี่เป็นตัวดีตัววิเศษตัวสวยตัวงามแต่ตอนนี้เราเห็นความจริงแล้วมันเป็นแค่วัตถุธาตุเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราหรอกดูมันทํางานอย่างนี้เวลาอาบน้ํานะอย่าใจลอยนะคนที่มาส่งการบ้านหลวงพ่อเนี่ย เห็นสภาวะตอนอาบน้ําเนี่ยเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยแล้วตอนอาบน้ําใช่ไหมทำไมมันรู้สึกง่ายเพราะมันกําลังสัมผัสตัวเองอยู่มือกําลังลูบลงไปในวัตถุในก้อนธาตุแบบนี้น่ยเนี่ยแล้วโดยที่ไม่ได้เจตนาสติมันระลึกได้ถึงความเป็นก้อนธาตุของมันงั้นตอนที่อาบน้ํานะอย่าโวแต่ใจลอยคิดโน้นคิดนี่ทําเพลงนะบางคนเข้าห้องน้ำจริงชั่วโมงเสียเวลา เวลาเราอาบน้ำี่ยมันจะรูปตัวมันจะอะไรเนี่ยเนี่ยมันจะคอยรู้สึกไปนะเหมือนวัตถุเหมือนก้อนธาตุแต่ว่าถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้แล้วกลับไปอาบบ้านอย่าไปอาบน้ำนะมันก็เป็นตัวเราอยู่นั่นแหละนะเพราะอะไรเพราะมันจงใจของคุณนั้นไม่เคยภาวนาพอไม่เคยภาวนาน้ถูสบุเฮ้ยมันไม่ใช่เราเนี่ยนะนะแต่นี่เคยเห็นอย่างนี้แล้วอยากเห็นอีกใช่อยากเห็นอีกนะกิเลสมันเกิด ตันหามันเกิดความอยากมันเกิดแล้วมันก็เลยไม่เห็นเพราะสติไม่เกิดค่ะตอนนี้<ะ>คือภาวนาแล้วเครียดของหลวงพ่อเครียดมากแล้วก็เอออย่าไปเครียด <c ười> ทําเล่นๆมันมีเครียดกับเผลอค่ะอืเผลอตรงที่เผลอไม่เครียดนะตรงที่รู้ว่าเผลอก็ไม่เครียดแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ชอบที่จะเผลอก็เลยเครียด <c ười> มันมีสามสักจังหวะนะเผลอไปตรงที่เผลอไม่เครียดหรอกตรงที่รู้ว่าเผลอก็ยังไม่เครียดพอรู้ว่าเผลอแล้วเนี่ยไม่อยากจะเผลอ ตรงนี้ยไปข่มใจไหมก็เลยเครียดไปเพ่งไหมไปเพ่งไหมก็เลยเครียดจริงๆก็คือควรจะปล่อยให้ตัวเองเผลอไปใช่ไหมคะแล้วก็เอแต่อย่าเผลอเป็นวันๆมากเกลียดค่ะหัดเผลอซะบ้างนะอย่ากลัวกิเลสมากเกินไปนะบางคนจะสู้กิเลสแต่กลัวกิเลสแบบกดหัวอยู่ในถ้าอย่างเดียวเลยะไม่ยอมออกนอกบังเกอร์นะหลบอยู่ในบังเกอร์กลัวกิเลสกลัวเผลอ เผลอไปเลยเผลอออกไปนะแต่พอใจเราไหลออกไปแล้วรู้ไวๆอย่าเผลอนานเผลอนานแล้วอัปปะักษ์นั่งเกลียดมันจะไปทําชั่วนะงั้นให้มันเผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกนะได้บุญมากถ้าไม่ให้เผลอเลยจะกลายเป็นการเพ่งถ้าเผลอตลอดเลยก็คือไม่ได้ปฏิบัติงั้นมันมีสามแบบเองเผลอไปเลยไม่ได้ปฏิบัติถ้าไม่ให้เผลอเลยนะจ้องเอาไว้ตลอดเป็นการเพ่งเป็นการกําหนดอีกอันหนึง มันเผลอไปแล้วเรารู้ทันก็ตื่นขึ้นมารู้สึกขึ้นมาเป็นอีกสภาวะหนึ่งรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาได้ทีเรแว บ, บเดียวเดี๋ยวก็เผลอใหม่อย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วทราบไหมทราบค่ะกดเอาไว้อทราบไหมค่ะ อ, ออย่าทําสิหลวงพ่อคะเราสอบถามนิดนึงอย่างสมมุติเวลาเรารอยอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ เ, เราเรารู้เราตั้งสติได้ว่าเราต้ององาศัยร่างกายนี้อยู่อะค่ะแล้วเราก็พยายามทํา ดึงจิตนี่กลับเข้ามาสู่ในร่างกายหรอคะไม่ต้องทํำหรอกนะจิตไม่หนีไปไหนหรอก oh. เดี๋ยวมันก็มาเองอะ่ะเดี๋ยวก็กลับเข้าไปเองใช่ไหมเออ<ะ>ไม่กลับก็ช่างมัน <c oughs> ก็ร่างกายเป็นของไม่ดีไม่ใช่เหรอค่ะเ <c oughs> ี่ <c oughs> เมื่อกี้บอกว่าอยากหนีไปพอมันหนีจริงๆชักยอมไม่ได้อีกละค่ะแล้วสอบถามนิดนึงคะ่ะว่า อ, อการสวดมนต์นี้เรียกว่าสมถกรรมฐานหรือเปล่าคะ ได้สวดมนต์ไปหน้าจิตจดจอ่อคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงธรรมะอะไรเงี้ยหลวงพ่อแต่การชอบสวดแบบสวดโมกสวดละแปลหลวงพ่อเคยบวชกิดเจ้าคุณปัญญามาชวนประทานสวดมนต์แพร่เราก็พิจารณาธรรมะไปอะไรเนี้ใจคิดถึงธรรมะนะก็ได้สมถะได้สมถะนี่มีอีกวิธีหนึ่งสวดมนต์แล้วจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตจะคิดหรือสวดมนต์แล้วเห็นร่างกายอ้าปากงับงับงั บ, งบอย่างเงี้ยนะ เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ใจเราเป็นคนดูอยู่นี่อย่างนี้เดินปัญญาสวดมนต์อยู่จิตนี้ไปคิดรู้ น, นี้ไปคิดอันนี้เป็นการเดินปัญญาอย่างเวลาที่หลวงพ่อบอกว่ารู้สภาวะขนาดสวดมนต์นะคะหลวงพ่อหมายถึงว่าให้รเราพยายามรู้กายรู้ใจค่ะแต่เวลา <c oughs> ที่มีความคือเรามีสมาธิอยู่กับ ก, บการสวดมนต์แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> พอเราเริ่มรู้สึกกายรู้สึกใจเรามีความรู้สึกว่าเราต้องดึงตัวเองออกมาอย่าดึงสินะมันอยู่ด้วยกันก็ให้มันอยู่ มันจะแยกออกมามันก็แยกของมันเองอย่าดึงออกมาอย่าจงใจดึงนะปล่อยมันพอใจมันมีกําลังมันตั้งมั่นไปถอด ถ, ถ, ถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันขึ้นมาเองอแล้วก็ไม่ต้องรักษาไว้เป็นผู้รู้บ้างเป็นผู้หลงบ้างจะได้เห็นว่าผู้รู้ก็ไม่เที่ยงอะไม่หมดเวลาหรอือ<ด>เหลือขอบพระคุณค่ะหลวงเปนจริงหมดเวลาแต่ว่าเหลือท่านสุดท้ายครับเดี๋ยวจะเคืองเอาว่าไปที่พูดเลยครับค่ะ ก, การนักการหลวงพ่อนะคะคือจะส่งกันบ้านนะคะคือช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองได้เจอกับวิบากกรรมก็คือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรานะท่องไว้เลยว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีสิ่งใดหรอกที่มาแล้วไม่ผ่านไปไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์นะแต่เวลาความทุกข์มาเราอยากให้มันพ้นเร็วๆความสุขมาเราไม่อยากให้มันพ้นทั้งๆ ท, ที่ทุกสิ่งนั้นต้องผ่านไป นี่พอความสุขผ่านไปเราก็เสียใจใช่ไหมความทุกข์ไม่ไปสักทีหนึ่งเราก็เสียใจอ <c oughs> ีกก็ช่วงแรกก็แบบยังทําใจไม่ได้ทํำใจไม่ได้ไม่ต้องทําใจก็คือปล่อยให้อารมณ์ตรงนั้นคือเราเสียใจนะให้เรารู้หรือว่าเราเสียใจ เ, เ, เราคอยรู้ไปนะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะเราก็เปลี่ยนความรู้สึกซะบ้างนะเปลี่ยนผ่อนคลายก่อนผ่อนคลายเช่นไปดูหนังฟังเพลงบ้างะแต่ไม่ใช่เที่ยวตระลิดเปิดเปิงไปนะ เอาพอผ่อนคลายนิดนิดหน่อยน่อยแล้วก็กลับมารู้ใหม่ค่ะก็อาศัยธรรมะที่ฟังจากซีดีหลวงพ่อมานักลุมใจก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปค่ะก็ที่เราดูตอนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับติดเราที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือยอมรับกับวิบากรรมนั้นถ้ายอมรับได้เมื่อไหร่นะจะไม่ทุกข์เมื่อนั้นจะไว้นะค่ะถ้ายังที่ยังทุกข์อยู่เพราะยังยอมรับไม่ได้ตอนนี้ก็คือถือว่าสภาพจิตใจก็ ดีขึ้นเยอะค่ะอาจจะด้วยซีดีที่ได้ฟังของพ่อแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้มาส่งกันบ้านแล้วก็ก็คือปัจจุบันที่ที่ทำอยู่ก็คือฟังซีดีแล้วก็ดูว่าสภา <ไป S 2> วา<ล>ะที่เกิดกขึ้นหลงไปแล้ว <c oughs> เอาว่าไปว่า เ, าเราเจอร่างกายเราเป็นยังไงจิตใจนะต่อเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงอะค่ะดีแล้วล่ะฝึกไปนะคนในโลกนี้ไม่ใช่เราทุกคนเดียว ใครๆก็ทุกข้างนั้นหละเมื่อไม่กี่วันเนี้ยก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปภาวนาไปที่วัดบ่อยๆนะอยู่ๆเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะไรเงี้ยเลยขอกันบ้านบอกอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้มาส่งกันบ้านละแต่ว่าไม่ได้หวั่นไหวนะอจะตายก็ตายอะไรเงี้ยต้องต้องใจแข็งอย่างนั้นถ้าเรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้นะจิตใจจะมีความทุกข์มากถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่ทุกข์มากอ่ะ อย่างสูงว่าอกหักรักสลายอะไรอย่างนี้นะถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนเราก็สมหวังบ้างผิดหวังบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทุกมากเป็นเรื่องธรรมดาน้ํามันแพงแก็คนอยากใช้เยอะมันก็แพงอะไรเงี้ยหรือมันโกงกันมากมันก็แพงเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ถ้าเราอยากให้น้ํามันเหลือลิตรละสามบาทนะต้องทุกตายเลยเพราะเป็นไปไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เรายอมรับความจริงนะเราจะไม่ทุกข์หรอกเพราะงั้นเราเผชิญหน้ากับทุกสิ่งนะ ได้จิตใจที่เข้มแข็งเป็นกลางรู้ทุกอย่างอย่างที่เขากำลังปรากฏขึ้นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้มันเป็นนะถ้าเราเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่มันเป็นนะใจเราเป็นกลางได้เนี่ยมันจะไม่ทุกข์หรอกชีวิตนี้จะเหลือแต่ปัญหาชีวิตนี้จะไม่มีความทุกข์ปัญหานะ่ะเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของคนเราทุกคนต้องมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่คนซึ่งฝึกจิตมาดีแล้วนะมันมีแต่ปัญหามันไม่มีความทุกข์ขึ้นมา ความทุกข์ไม่ใช่ปัญหาความทุกข์เป็นส่วนเกินของชีวิตะงั้นเมื่อมีปัญหาขึ้นมานะเรามีสติรู้ทันจิตใจตัวเองไปเราก็จะเห็นไม่ก็แค่สภาวะอย่างหนึ่งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปในใจมันจะไม่ทุกข์แสด <ะ S 1> งว่าตอนนี้อใจหนูยังไม่ถือว่าเป็นกลางใช่ไหมคะเออยังไม่ไมเป็น ก, กลางมันเป็ น, เ ป, นเป็นพักๆใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็ไม่เป็นนะมันยังไม่เป็นอย่างแท้จริงให้เรารู้ต่อไปอีกนะกรรมนะคะขอบคุณค่ะ ก่อนจะถึงช่วงสุดท้ายครับมีคําถามฝากมาครับหลวงพ่อถามว่าพ่อกําลังจะตายในฐานะลูกควรปฏิบัติ ด, ดูจิตอย่างไรครับเหรอพ่อจะตายนะเรื่องของพ่อนะลูกต้องรักษาจิตไว้อย่าให้จิตเศร้าหมองดูจิตตัวเองไปไม่อยากให้พ่อตายนี่เรื่องโง่นะเพราะพ่อจะตายแล้วเราไม่อยากไม่ได้นะใจเราไม่ยอมรับความจริงใจเราจะทุกข์งั้นให้เราดูลงไปเลย ใจเรากังวลขึ้นมารู้ใจเราสงสารรู้ใจเราเป็นห่วงรู้รู้ลงไปจิตเราจะได้เป็นกุศลขึ้นมาเมื่อจิตเราเป็นกุศลแล้วนะมันจะมีพลังของกุศลเกิดขึ้นนะมันจะเหนี่ยวนําความรู้สึกของคนใกล้ตายให้เขารู้สึกสบายขึ้นเขาจะได้ไปสุขตินะงั้นเวลาใครจะตายถ้าคนไหนเรารักแล้วจะตายนะอย่าไปร้องห่มร้องไห้แล้วกอดร่ําลำพันให้เข้าใจฝ่อถ้าคนไหนเราเกลียดทําอย่างนั้น <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะมันจะตองนรก ตกทั้งคู่แหละไอ้คนนั้นก็ตกไอ้คนทําก็ตกนะแต่ถ้าคนที่เราเนี่ยพ่อแม่เราจะตายนะอย่าเป็นเขย่าวขยาว่านะอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายนะเขาเลยไม่อยากตายเห็นไหมตายปุ๊บเป็นเปรตเลยนะพอเขาเป็นเปรตจริงๆแนละ้วก็บอกขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเถอะมันเอาอยัางไงแนะ่มนอยากให้อยู่ด้วยหรือเปล่านั่นอยู่ที่ใจเรานะเราต้องรักษาจิตของเราไว้ให้ดีนะให้จิตของเราเป็นกุศล น, นะในขณะที่ มีคนกําลังจะตายอยู่ต่อหน้าเราอย่าไปร้องห่มร้องไห้อย่าไปทําให้เขาจิตเสียถ้าเขายัางรู้เรื่องนะพูดถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลเขาเคยทําบุญเคยทํากุศลอะไรพูดให้เขาฟังนะหรือเราไปทําบุญกุศลอะไรพูดให้เขาฟังแต่ถ้าเขาลาคานเราก็อย่าพูดนะต้องรักษาใจของเขาไว้ต้องช่วยเขาจะช่วยเขาได้ต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนแล้วตัวเองก็ร้องไห้แล้วก็พ่ออย่าทําใจให้ดีๆนะพ่อโหโหนะพ่อมันจะดีได้ไง อ้าวขอสมควรก็ขอเชิญทุกท่านที่ศาลาลุงเชียนร่วมกันอนุโมทนานะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปาโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลละนานเชิญ ยถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสักครังเอวเมวไอยโตตินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปติตังทุมหังชิปะเมวาสมิชฉตุสัพเพปูเรนตูสังกป่าจันโทปนารโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตารโยสุขีตีขาโยโกภวะ อาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปจจายิโนจตตาโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังภะลังภาวนานะภาวนาไปในโลกมีแต่ความทุกข์นะช่วยตัวเอง